การทำารของเราจะเป็ น, า, นารการดับทุกข์เนี่ยแล้วการมาเกิดเป็นมลด้ง เ, เป็นเป็นอากาสที่ดีที่สุดมล็เลียถ้าพูดเพื่อ เ, เ, เป็นเหมือนเป็นเหมือนเพชจินดาเป็นส้นที่มีคุณค่ามากเราไม่ควรเอาเพชรมินจนินดาแรกรับตัวก้อนเกก้อนก้นเห็น ควรจะเอาแต่ละกับสิ่งที่มีคุณค่าพอๆกันเล่นดีกว่าสิ่งเดียวที่ในที่ที่ดีกว่าเล่นพอๆนันก็คือมรรคผลที่ผ่านม า, าส่วนราบเยอะแต่เราเสื่มสึกเนเป็นเหมือนกับก้อนก้อนหินก้อเกลือมันเล่นมีคุณค่าทางจิตใจเพราะมันกลับทําให้จิตใจนั้นมีความทุกข์มากขึ้น ไม่ได้มีน้อยงไปความสุขที่ได้มันไม่คุ้มกับความทุกที่ทได้มาอย่ถ้าอยากจะเป็นคนนักลงทุนที่ฉลาเหมือนกับเราเื่อหุ้นเราก็ต้องเลือกดูหุ้นที่มันให้ผลตอบแทนดีมีมันปันผลดีทุกปีแล้วก็มีค่าคุณค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อย นี่ถึงจะเรียกว่าเป็นาการลงทุนที่ที่จำเังชีวิตของเราก็เป็นอย่างเราให้เวลากับสิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจก็จะเป็นาการลงทุนที่ที่ดีที่สุดถ้าเราไปให้เวลากับสิ่งที่ให้ความทุกขกับจิตใจให้โทษกับจิตใจทาให้จิตใจเสื่มลงให้ต่ำลง เรายัางทำแล้วจิตใจยังต้องเยียวยาใ้ตายเกิดอยู่ในเพศต่างๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการล ง, งทุนที่ที่ไม่คุ้มค่ากับกับทุนของเราที่เรามีกับทรัพย์สมบัติอันมีค่าคือคือโชคชาตของมนุษย์ทำคชาของมนุษยเนี่ย <c oughs> เหมาะกับการ เรเพิปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อการหลุดจากความทุกข์ทรงายเพื่อมรักแห็นิพพานถ้าเรามใีใช้เวลาไปกับภารกิจอันนี้เราก็ไม่ต้องไปกัวงวลกับภารกิจทางอื่นอกจากที่มันจำเป็นจริงๆที่มันเกี่ยวข้องกับเราจริงๆ เช่นบุคคลที่มีพาะคุณกับเราอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเราต้องไปงานแบบนี้คราจะเราก็ไปได้แต่ถ้าเป็นเป็นแบบสังคมแบบคนรู้จักกันเียก็ถ้าเราเราเราต้องเสียเวลาจากการปฏิบัติเพื่อปัญญแบบนี้มันก็จะเสียเวลาไปตปล่า ในพูดถึงนักปฏิบัตินักบวชเยอมากกว่าทนเนควรจะให้ความสําสคัญต่อการปฏิบัติว่าทานบวชแล้วถือเป็นถือว่าเป็นนักปฏิบัติถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวนชในรูปแบบของการโกนหัวหรือห่มผ้าเขาก็ทตามแต่ถ้าเราถือว่าเราเป็นนั ก, นกบวชทานด้านจิตใจแล้ว เราก็ควรที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับการปฏิบัติให้มากกว่าการไปทำภารกิจอย่างอื่นเพราะว่าภารกิจอย่างอื่นนั้นทำไปมากน้อยเป็นไงมันก็ไม่ได้ทำให้ภาวะของทางด้านจิตใจนั้น <c oughs> ดีขึ้น ไม่ได้ทำให้พบชาปน้อยลงไม่ได้ทำให้ความทุกข์น้อยลงไปเราก็ต้องมีความแน่แน่ตการปฏิบัติควณที่จะให้เวลากับการปฏิบัติให้ว่า ให้มากเป็นระทับงให้ให้ให้ได้เต็มที่เลยอย่างขณนี้เรายังมีภารกิจทางด้านอื่นเราก็พยายามตัดมันมไปให้มันน้อยลงไปเรื่อยภารกิจที่ไม่ไษษษษจำเป็นเราจะก็การหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างต่านี้ ควรจะตัดไปเอาเวลาที่ใช้กับสิ่งนีม้มาใช้กับการปฏิบัติจะดีกว่าดูดูหนังดูละครสองชั่วโมงนั่งสมาธิสองชั่วโม ง, มงมไม่ได้คุณค่านี่มีความแตกต่างกันอย่างว่าถ้าเรามองถึงุณที่จะได้ทางด้านจิตใจแต่ถ้าเรามองทางด้านอารมณ์ ที่เราจะได้คือความสุขเพื่อขณะที่ได้ดูหนันมันก็อาจจะคิดว่าคุ้มค่าดูหนังสองชั่วโมงมีความเพลิดพเพลินนั่งสมาธิสองชั่วโมงก็อาจจะต้องทรมานทั้งกายและใจใจต้องไม่อยากนั่งใจอยากจะทำอย่างอื่น หลังแล้วร่างกายก็มีอาการเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้มันก็รู้จึกว่ามันทุกข์ถาเรลับใจแต่ถ้าเรานั่งแล้วได้ผลขึ้นมาจิตสงบลงจิตปล่อยวางความเจ็บปวดของร่างกายได้เราก็จะได้สิ่งที่ดีกว่าการไปดู ถ้าประโยชน์เพราถ้าประโยชน์นี้มันก็ต้องมีวันเดียวแล้วดูมาดูแล้วเนีมันก็ไม่มีอะไรจะให้ดูแล้วเวลาที่ไม่ได้ดูหรือยากจะดูแต่ไม่มีอะไรให้ดูก็อารมก็จะเหนื่อจะไม่มีความสุขอย่างถ้าเรา นั่งสมาี่ได้จนติดเป็นนิสั ย, ยเวลานั่งแล้วเราก็จะเิความสงบความเย็นสบายเกิดวความสุขเกิดวความอร่ดฝรใจขึ้นมา้วเราสามารถที่จะนั่งได้ตลอดไม่มีค ว, าว่าเบื่อลองทั้งเรานั่งได้จนติดเป็นนิสัยแนละ้วเรากลับจะมีความสุขมีความยินดี การนั่งเราอยากจะนั่งให้่ากลั่ถ้าถ้ า, ถ, าถ้านั่งแ้วเมื่อยจริงๆก็ลังเดินได้แต่การทํามสมาธิก็ยังทำเหมือนกันอยู่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนอริยาบทจากการนั่งมาเดินแทนถ้าเรานั่งเรากำหนดดูลมหายใจเราเดินถ้าเรารู้สึกว่าการกําหนดดูลมหายใจไม่ค่อยจะ ธนร ก, ก็เปลี่ยนกรรมฐานเครื่องควบคุมใจเราได้เปลี่ยนจากลมหายใจมาเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ไดออ้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายคือเท้าที่กำลังก้าวอยู่เวลาก้าวท้าซ้ายเท้าขวาเราก็เขย่าไปซ้ายขวาซ้ายขวาการไหลของการนั่งต่ำ ทำสมาธินี้ก็เพื่อที่จะควบคุมความคิดตัวเองของเรานหนึ่งไม่ให้มันคิดเลยเปลืยตามอารมณ์ตามกระแสของอารมณ์ที่มีภายในที่จะคอยจลักนั้นด้วยสุดขั้วให้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราไม่มีการเจริญสติไม่มีการทําสมาธิ อารมณ์มันก็จะสุดละใจให้คิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็จะมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยตกับความคิด ม, มีแต่ความคุ้สร้ำมีแต่ความไม่สบายอกไม่สบายใจม่านมาจะมีความสุขสัครั้งถ้าคิดไปใวทางที่เป็นธรรมะแต่ส่วนใหญ่ใจของพวกเราเนี้จะถูกองงานาจของกิเลเป็นตัว เกิดยให้คิดไปก็จะคิดไปในทางโลภในทางโกรธในทางอยากได้อยากมีอยากเป็นใ น, ในทางขางความหวาดตัวการเผชิญกรรต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็ดีหรืที่ว่ากำลังเกิดขึ้นก็ดีนี่คือความคิดของเราแล้วมันก็ส่งผลทําให้ใจของเราดิ้นควา ม, ม ว, วุ่นวาย มีความจับฝนอรหม่านอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทําสมาธิเจริญสติดึงการดึงจิตให้อยู่กับกรรมฐานบทใดบทดหนึ่งไม่ <c oughs> ว่าเราจะเห็นในเอเรียบทใ ด, ดก็ตามนั่งแล้วก็ทําหนดให้อยู่กับกรรมฐาน เดินแล้กรายกหนอยู่กับกรรมฐานเยูนก็เฉยๆกันอย่างนี้แล้วความคิดมันก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้เพราะการกำหนดกรรมฐานนี่ก็เป็นการบรรพให้การคิดในหลายบริกรรพุโทธโธพุทโธนี้ก็เป็นการคิดปรุงแต่งการทำวัคคุโตทาดู เท้าของเราในเวลาที่เราโดนจงกลมก็เป็นการบังคับให้คิดคําว่าเท้าซ้ายเท้าขวาหรือซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้าอย่างนี้แล้วใจก็จะค่อยๆสงบลงเพราะความคิดหลังลืมมันไม่ได้เป็นการสร้างอารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นมาใเองมันเป็นการทําให้อารมณ์ต่างๆนั้นสงบตัวลง ใจก็จะเย็นสบายลงแต่ตามลำดับแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นตามลำดับ<ม>แล้วเราก็จะเข้าใจเป็นความหมายว่าความสุขที่แท้จริงนี้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราความสุขที่ดีที่สุดนังไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจที่สงบนี้ คือความหมายของการทำสมาธิคือเป็นการควบกลุ่มไม่ให้ใจคิดเมื่อไม่เกใจก็เปรี่ยบเหมือนกับสับชนิหนึ่งเช่นม้าม้าป่าม้าที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมเวลาเราไปจับม้าป่าจาับในืป่ามาจะเอามาใช้งานใช้การได้จะต้องเอามาฝึกทรมาน มาให้เขาอยู่ปายใต้ําสั่งของของผู้ขี่ก่อนถ้าสั่งให้มันไปซ้ายมันไปขวาอย่างนี้สั่งให้มันเดินหน้ามันถอยหลังอย่างนี้มันก็ยังใช้การไม่ได้เราต้องเอามาทรมานมันบังแับมันให้มันทำตามคำสั่งเราถ้ามันไม่ทำเราก็ต้องลงโทษมันเค่ียมันบ้างไม่ให้มันกินข้าวบ้าง อย่งนี้มันก็จะรู้แล้วว่าถ้ามัน เ, นเืี้ยยืดอย่ า, ยากๆก็ทำาะไตามอาเภอใจอยู่มันก็จะได้รับแต่โทษถ้ามันทำตามคาสั่งเราก็ให้รางวัลให้น้าให้อาหารให้มันทำอะไรตาม ใ, ใจบ้าง ก, ก็ได้อันนี้ต่อไปมันก็จะเทบทวงว่าการทำตามคาสั่งนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเขา มันเองมันก็จะยอมพอม่มันยอมอยู่ภายใต้คำสั่งเราเราก็ไม่ต้องไปมันเขามันเข้าไปพอมันรู้แล้วว่ามันอะไรดีอะไรไม่ดีใจของเราไม่ใช่เดียวกันถ้าเราฝึกใจมาทั้งมันหยุดคิดได้แล้วหรือมันอยู่ภายใต้คําสั่งของเราแล้วเราจะเห็นว่านี่เป็นความสุขจริงๆเป็นความสุขอย่างเงี้ย เป็นความสดีกว่าการนั่งดื่มภาพยนตร์อรสองชั่วโมงหรือการได้สมัมผัสสายคุยกับเพื่อนสนิทนิสารมันก็จะเห็นความแตกต่างา ก, ากันแล้วทีนี้จะเห็นคุณค้าของการภาวนาของการทําจิตใจให้สงบพอเห็นคุณค่าเห็นควาสมสงบแล้วทีนี้ไม่ต้องบังคับกันแ้วเมื่อก่อนตอนทําใหม่ๆไม่ต้องบังคับต้องมีตารางต้องในเวลาเช่นว่า วันนี้วันหนึ่งจะต้องทำกี่ครั้งแล้วทางหนึ่งจะต้องทํางานเท่าไหร่แต่พอเราเห็นคุณค่าอของความสงบที่ได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วรจริงๆจึไม่ต้องกําหนดตารางมีแต่ตจงเรียกร้องให้ทําให้มากขึ้นภายในใจอยากจะทําให้มากขึ้ น, น, น, น, นเหมือนกาบทำงานแล้วได้เงินเดือนครัแรก ถ้าทําไปแล้วไม่เกิดได้รับเงินเดือนเลยก็จะรู้สึก ท, ทแกท้แไม่อยากจะทําแต่พอได้รับเงินเดือนนะถึงอยากจะทําให้ว่าอยากจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอาจะทํำให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ได้เงินเดือนมากขึ้นเรื่องการการทํางานเกี่ยวกับเรื่องจิตใจได้เช่นเดียวกัน ถ้าเรายังไม่ได้เห็นผลของการทํา ง, งานนี้ถ้าจ่ายเรายังไม่เกิดสมบูเลยนั่งแล้วก็ยังรู้สึกอึดขัดรูสึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นั่งแล้วก็ผล น, นั่งต่อไปไม่ได้อย่างนี้นะจะไม่ค่อยมีมมกำลังใจพอยกขึ้นจากการนั่งปก็เปิดภาชนะดู ท, ทันทีหรือไปเปิดตู้เย็นหาอะไรมาดื่หาอะไ ร, ม า, าะไรมารับประทานทันที อย่างนั้นแทบจะไม่ต้องบังคับเลยเพราะเห็นผลแล้วว่ามันมีความสุขแต่มไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขทีม่มีมีมีความทุกตามมาเพราะว่ามันทำให้เราต้องเข้าไปหามันอีกเรื่อยๆต้องอาศัยมันอีกเรื่อยๆเวลาที่เราไม่สามารถดูดูดูดูโทรศัพท์ได้หรื่อย หาของรับประทานในตู้เย็นได้านก็จะเกี่ยวกับหงุดนงิดํำทางใจขึ้นามาตรงนี้เรามองว่าเป็นเหตุเพราะเรากลัวความหงุดหงิดนี้เราจึงต้องพยานามเตรียมหาของกินของดื่มไว้ในตู้เย็นไว้ไไไไไๆๆมากๆตลอดเวลาที่การที่เราจะหาของเหล่านี้ได้เราก็ต้องหมดเวลากับการไปหาเงินหาทองไ้ทํางานทำงาน เราก็จะไม้เวลาที่จะมานั่งสมาธินั่งทำกิจกาให้เสร็จดังนั้นภพชาติของความเป็นมนุษย์นี้ก็จะหมดไปกับการหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกที่ร่างกายแล้ก็จะเป็นเงนจอมที่ที่มติดทุ่มั่งลงให้ทำอยู่ตลอดเวลา ไม่ไม่ไม่มีเวลาที่จะที่จะออกมาจากวงจรไม่ได้นอกจากพวกที่มีมีบุญก่รมาอยู่บ้างแล้วก็มีบุญใหม่เกิมีเหตุการณ์เช่นเพื่อนฝูงมีเพื่อนฝูงชักโยง่วนให้ไปปฏิบัติธรรม เรามีสถานที่ที่เหมาะต่อการปฏิบัติมีกูบาลาจผู้คอยแนะนวทางคอยให้กำลังใจคอยสอนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาตนาเพราะสามารถที่จะช่วยให้หลุดออกจากวงจรของการหาความสุกทามตจ ห, หูจนถึนตายได้ แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องอยู่ที่ตัวเราที่จะต้องพยายามผลักดันตัวเรเองสมมติว่าเราไม่มีใครชวนเราไม่มีกำหนดตารางที่จะไปวันอย่างพวกเราที่กําหนดกันเดินมาค้างอ น, งนี้เราก็ต้องกําหนดขึ้นมาเองอย่าป่อยให้รอให้เหตุการณ์เดินเราไป เมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรจรารู้แล้วว่าชีวิตของเรานี่ไม่ควรหมดไปกับกาก้อนอุก้อ น, ออนหินก้อนเกลืคอควรจะหมดไปกับการแสวงหามรรคผลมิตรานเราก็ต้องโยงไปในทางนี้ไปสูก่การศึกษาไปสู่การปฏิบัติธรรมมีเวลาก็ควรจะใช้ให้ เ, เกิดประโยชน์้ดยการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่รุ่งต้ น, เ ป, นเป็นการศึกษาทันต้นนี้ต้องเป็นการศึกษาก็ทำคำสอนเพื่อเราจะได้รู้ทิศทางที่เราจะต้องไปจะได้ไม่หลงทางถ้าเราไม่ศึกษาทิศทางก่อนเราเ อ, อกเดินทางเลยเราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องไปนั้นจะต้องไปทางใดไปทางไหน แต่วถ้าเราศึกษาดูแผนที่ไว้แล้วว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องไปรเดินไปทางไหนเราก็จะได้ไม่เสียเวลาออกจากบ้านก็รู้เลยว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาพอาไปถึงทางแยกแล้วจะต้องไปทางไหนเราก็จะรู้เราก็จะได้เดินๆไปลเลยคือเวลที่เราโกนแกะหมดไปในรุ่นต้นก็ศึกษา การศึกษาก็ศึกษาได้หลายรูปแบบฟังเทศธรรมจากกุูบาาจารย์โดยตงรงก็ได้ถ้ามีโอกาสได้อยู่ใกล้ถ้าไม่มีโอกาสก็มีมีมีเสียนที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆเราก็เอามาเปิดฟังได้หรือมีสื่อทางวิทยุทางโทรทัศน์เราก็เปฟังไป ด, ดูได้ หรือหนังสือต่างๆที่ได้มีการเขียนไว้ จ, จากกันก็อ่านได้แต่การศึกษานี้มันต้องศึกษาเพื่อไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่ศึกษาเพื่อให้เกิดความหลงขึ้นมานดงตนเองคิดว่ารู้แล้วอย่างนี้เราก็ไม่ออกปฏิบัติเราก็เหมือนอ่ง ถกเถียงกันบ้างหรือไปสอนผู้อื่นบ้างเพราะคิดว่าตอนนี้ดูแล้วแต่ความรู้ทำยาการศึกษานี้ยังไม่ได้เป็นความรู้ที่แท้จริงเหมือกับการศึกษาวิธีทำกับข้าวกับปลาแต่เรายังไม่เคยลงมือทำกับข้าวนี้เหมือน้ะดูว่าเ่าถึงเวลาจะต้องทำกับข้าวนี้ ท่านจะทาได้หรือเปล่าถ้าทได้แล้วมันจะออกมาตามที่เขาเขาทำกันหรือเปล่านี่คือเราต้องเอาไปพิสูก่อนว่าความรู้ที่เราได้ศึกษาเนี้เป็นเป็นอย่างไรเป็นจริงมากอย่างไรถ้าเราเอาไปปฏตบัติแล้วเราก็จะรู้ว่าเป็นอย่างไร ว่าความสุขที่ดีที่สุดนี้อยู่ที่ตรงั้น mm hmm. พอเรารู้อย่างนแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะนำเอาไปสั่งสอนตัวอืได้ mm hmm. นในเริ่มต้นนี้เราต้องสอนตัวเราเองก่อ น, อนให้เราำจำกัดปัญหาต่งาง ที่มีภายในใจของเราให้หมดไปให้ได้ก็ความทุกข์อะไรที่มีอยู่ในใจถือว่าเป็นปัญหาทั้งนั้นขวาไม่สบายใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนีน่ถือว่าเป็นปัญหาท้นั้นถ้าเยังมีภายในใจแสดงว่าเรายังเรายังเรียนไม่จบเรายังปฏิบัติไม่ไม่ถึงจุดจุดสูงสุดเราต้องสามารถ อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างผ่านผานกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีปัญหากับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงจะถือว่าเราหอุู่คนแล้วจาความทุกข์านี่คือเวลาที่เราควรที่จะบมดใช้ใช้ใช้ไปกับเต็่อเหล่านีนะ้เพราะจะผลตอบแทนจะได้อย่างคุ้มค่าการ หมดเวลากับการจดหางหาราบยศจระเสริมสว า, า, สางไงผ่านสุานตาหจูจมูกคิ้งากเมื่อถึงบาง้านตายของชีวิตเราจะรู้สึกว่าจิตใจของเราไม่ได้เปลีปย่ยนแปลงเลจากวันที่เรามาเกิดในโลกนี้ถึงวันที่เราจะจากโลกนี้ไปใจของเราตอนขึ้นมาเป็นอย่างไรตอนที่ไปก็จะเป็นอย่างนั้นหรือจะยากก็อย่ายเงเดียวไป จะอ่อนแอลงามากกว่าจะมีความเข้มแข็งมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขได้เวลาไปแบบนั้นก็ถือว่าหน่อยขาดที่ถ้าไปฝากในไว่เที่ยงเวาในธนาคารก็ไม่ได้ดอกแล้วก็ต้องเสียค่าฝากด้วยเวลาถอนต้นก็เหลือเหลือน้อยกว่าตอนที่เอาไปฝาก ่ันนี้เรียว่าเป็นการใช้ชีวิตแต่ขาวทุนแต่ถ้าถึงเวลาที่เราตายไปถ้าเรารู้สึกว่าใจของเรานี้มีความมั่คนคงมีความสุขมากกว่าเดิมมีความทุกข์นอกว่าเดิมหรือไม่มีเลยอย่างนี้เราถึงถือว่าเราได้กำลังเราได้ใช้ชีวิตยอย่างเหมาะสม ที่สุดคือได้เอาเพชรเงินกิจกางนี้มาลงทุนเพื่อทําให้เกิดผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุนที่เราลงไปถ้าทํรมานาจิณก็อยากการลงทุนนี้เรืงยนก้นนี้เราก็ได้ธนาคารขึ้นมาเป็นร้อยๆสาขายอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุมค่า คนที่เขาเริ่มต้นเริต้นสร้างนาคาราขึ้นมาเขาก็ไม่มีเงไรมากเขาก็มีเงินก้อนเมื่อเขาเริ่มทำทำกิจกา ร, รแล้วก็เกิดการความเจริญรุเรยอขึ้นมาเขาก็ขยายสาขาไปเรื่อยๆมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆจะมีเป็นร้อยเป็นพันสาขา ยี่หางนี้ถึงเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าใจของเราด้วเหมือ น, นใจของเราถ้าเราลงทุนไปกับการศึกษาปฏิบัติธรรมะทำบุญให้กานรักษาศีลภาวนาทำจิตใจให้สงเยืเินปัญญาจนจิตใจของเรานี้มีแต่ความสมบอยู่ตลอดเวลา ก็ถือว่าเราได้กำไรถ้าจิตใจเรายังฟุ้งซ่านยังสับสนอลหมานยังมีความเศร้าหมองความเครียดมีความวุ่นวายใจอยู่ยางี้ก็ถือว่าเรายังไม่ได้กำไรเพราะไม่มีอะไรสคัญเท่ากับจิตใจของเราจิตใจของเราถ้าไม่ไม่มีความสุขแล้ว ถึงแม้เราจะมีเือนทองของเต่าปีเขาเงินก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจมันไม่สามารถมาทำให้จิตใจมีความสมุบสุกได้ดังนั้นอย่าเียวเวลาไปกับก า, ารสวงหาลาบและรัวเส้นเชดให้แสวงหามรรคผลที่ทานแทนเป็นเป้าหมายของเราพระชายาี้ก็บอกแล้วว่าทานเราก็ต้อง เพิ่มให้มากขึ้นมีอะไรที่เราให้ได้มากขึ้นก่อนเลยเราก็ควรที่จะพัฒนาขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากการทำจากการทำบุญร้อยละสิบก็อาจจะเพิ่มไปแล้วร้อยละยี่สิบร้อยละสาสิเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งเราก็รักษาให้มากขึ้นสรมดาเราเคยรักษาได้กี่ข้อ เราก็รักษาเพิ่มขึ้นไปอาจจะในเบื้องต้นอาจจะเป็นเป็นวันๆไปก็ได้เช่นวันนี้เราถือสีแปดขึ้นมาก็ได้เพราะวันไหนเรารู้สึกว่าเรามีกําลังดีกําลังใจดีจะรักษาสีเพิ่มขึ้นไปสีแตดบ้างกําลังกับสีห้าบ้างเพิ่มสีแปดให้มากขึ้นไปมากกว่าสีห้า ตน้ที่สุดสามารถรักษาสิ้น ไ, ไดที่าห้ตลอดการนั่งสมาธิก็เพิ่เวลานั่งให้มากขึ้นโดยนั่งวันละสองครั้งก็เพิ่มเป็นสามครั้งสีครั้งการนั่งข้างล่างครึ่งชั่วโมงก็เพิ่มเป็นครั้งละชั่วโมงต้องพยายามขยับเพิ่งคไปเรื่อยๆการฟังเทศทางธรรมก็ฟังให้มากขึ้น ส่วนที่ต้องลดก็คือความสุขทางตาหูจมูกม่นกายถ้าดูโทรทัศน์ดูหนังดูละครก็ตัาให้น้อยลงไปคราดื่มถรับประทานก้หาควาสุขทางตาหูจมูกม่นกายก็ตัาให้มันน้อยลงไปจนไม่ต้องหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เลยได้เ่เดือเราจะได้มีในในเวลาที่จะมา หาความสงบสุสสสขทางด้านจิตใจมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เราต้องกำหนดขึ้นมาเองเพราะว่าเป็นชีวิตของเราเราเป็นเหมคนขับรถไม่มีคนอื่นขับแทนเราไม่มีคนขับเราต้องรู้ทิศทางที่เราจะต้องไปว่าควรจะไปในทิศทางใดอย่ า, ยาขับเวีนอยู่วนอยู่ที่ตรงวงเรียนเพราะว่ามันไม่ไปไหน ไปทั้งวันมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะเว้อยู่ตรงนั้นอ่ะเราต้องกําหนดทิศทางของชีวิตเราว่าจะต้องไปทางนี้จะต้องไปทางไปเจอต้องทําบุญให้มากขึ้นต้อรักษาศีลให้มากขึ้นต้องภาวนามากขึ้นต้องกำหนดไปอยากปล่อยอให้มันวนอยู่ในโรงเรียนกับความกับ ก, บก า, า, า, ารหาความสุขหาฐาเงินหาเงินแล้วก็ ะแล้วก็เอาเงินมาหาความสุพอพอเงินหมดก็ไปหาเงินมาหาเงินได้แล้วก็กลับมาหาหาความสุขจากการใช้เงินมาอย่างนี้เรียกว่าทํารถอยู่รอบวงเวียนไม่ได้ไปไหนกี่ครบรี่ชาก็แบบนี้แต่ว่าจะอยู่วงเวียนแบบไหนวงเวียนดีก็มีวงเวียนไม่ดีกวงเวียนดีก็วงเวียนของเทพ ของมนวงเวียนไม่ดีก็ของเดราจรานของเสอของของสัตวาลรกเขาก็มีวงเวียนของเขามื อ, อนกันต่างกันตรงที่ว่าพวกที่ฝ่ายตำ่ำเขาก็จะหาเงินด้วยการผิดศีงผิดธรรมเป็นนักขโมยฆ่าสัตวชีวิตประพฤติผิดอะไรตัหกหลอกเหลเพื่อให้ได้เงินได้ทองมาซื้อความสุข ตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่เวียนอยู่ในวงเวีนทีวว่วนอยู่ในวงเวียนที่ไม่ดีเวงเวียนที่มีแต่ความร้อนอยู่รอบเป็นส่วนวงเวียนที่ดีก็มงเวียนของของเทศของมนุษย์นะครับแต่มันก็ยังเป็นวงเวยนอย่สู้มักผลที่ผ่านไปนะอันนี้เป็นทางตรงไปสู่ หมายปลายทางที่เลือกที่จะเสด็จคือการสิ้นสุดแห่งการเรียนว่าตายิดสิ้นสุดแห่งการของความทุกข์ทั้งหลายเพราะเมื่อเราไม่เกิดแล้วทุกข์ก็ย่อมไม่มีทุกข์ย่อมไม่มีต่อผู้ที่ไม่เกิดเพราะพูกที่เกิดนั้นยังต้องมีการแก่มีการเจ็บ ม, มีการตาย มีการพัาทาจากกันนี่คือเรื่องของใจเราเป็นอย่างนี้นีครั้งนี้เป็นโอกาสที่มดีมากคือหนึ่งไม่ได้เป็นมนุษย์สองได้พบพระพุทธศาสนาสามมีเวลาแต่จะใช้มันไหม่ท้านั้นเองหรือจะ เพิ thành, ph ph ần, m m ong, ่มเวลาให้มากกว่าเดิมหรือไม่ที่วันหนึ่งเรามีเพียง24ชั่วโมถ้าเราอยากจะเพิ่มเวลาในการบาเพ็ญนการปฏิบัติเราก็ต้องตัดเวลาที่เราให้กับสิ่งต่างปเราจะกล้าทำหรือไม่เมื่อเรายังเสียดายกับกับเรื่องต่างๆที่เราเคยผูกพันเคยทําอยู่อย่างนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณ ต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระสงสาวกดูพระอุูบาอาจารปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างว่าท่านใช้เวลาอย่างไรเราก็ท่านใช้เวลาเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนเราก็ควรที่จะสั่งของเราให้เข้าถือแบบฉบับของท่าน ถ้าเราไม่ปรับเราก็จะไม่มีทางที่จะบ้านอย่างที่ทำได้ต่อให้ปรารถนาต่อให้ยากได้ามากน้อยเพียงไรต่อให้มาที่นี่อีกสิบปีอีกร้อปีแต่ก็ไม่ได้ปรับวิถีชีวิตของเราให้เข้าสู่กระแสธรรมมากขึ้นมันก็ยังมันก็จะเป็นอย่างนี้ไป แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาบางังคับตัวเราเองได้นอกจากตัวเราเองตอนเป็นผู้เลื่อนของตนตอนต้องเป็นผู้บงังคับตนเองเพราะตอนเป็นผู้ขับรถถรืชีวิตของตนเองผู้อื่นขับรถให้เราไม่ได้กับชีวิตของเราไม่ได้ดังนั้นการมาังนี้ก็เป็นการมาเพื่อจะได้เกิดกำลังใจเกิดความรู้ว่าเราควรจะทำอะไร เล้วอรู้แล้วก็ควรที่จะนำเนินขึ้เอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแนละ้วปฏิเวทคือผลที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้และไม่มีอะไรที่จะไปห้ามไม่อห้มันเกิดขึ้นได้นอกจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเลยก็แ้วกัขอ ว่าให้เรื่องราวของตาตรกำหนดวิถีชีวิตของเราการบำเพ็ญของเรานี้นนนในการนำไปนำเราไปถึงปิจายาและปฏิบัติเตือนที่จะตามมาต่อไปกามเบบวัาและสมควรจะเวลาขอยุติที่เปอนเท่ากัน การปฏิบัตินี้มันก็ไม่มีรูปแบบที่แท้จริงกนะ็การปฏิบัติที่แท้จริงนี้ก็คืออยู่ที่ตัวสตินี้เป็นตัวหลักเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาถึงจะถือว่ามีสติถึงถึงว่าจะถึงว่าปฏิบัติถ้าเราลุมงขาวหงมขาวไปอยู่วัดแต่ใจเรายังไม่สตินี้ก็ยังไม่ถึงว่าเป็นการปฏิบัติถ้าเรามีสตินี้ต่อให้เราอยู่ที่ทํา ง, งานเราก็ถือว่าเราปฏิบัติ มีสติคอยโชคคุณนใจของ้นไม่ให้คิดด้วยเปลือให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปก็ไดาให้อยู่กับทรรมบางอย่างเช่นาการสามีสองนี่ก็เป็นธรรมะที่มีคุณค่าอย่างยิ่งคือบางท่านาอาจจะเดือกับการที่ต้องบริกรรมทำเดียวเช่นพุโทโธพุธโทโธ ก็ลองเอาอาการสามมิตรสอนไปได้มีมีแยกมีสีสันมีรสชาติหน่อยคือหลายลักษณะมีผมมีขนมีเ้มีฟันมีหนังมีเนื้อมี็กระดูกถ้าหลอวถ้าจะเที่ยวก็ให้เที่ยวในกายละครนี่แหละเป็นที่น่าท่องเที่ยวที่สุดถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วเราท่อง อาการสามสิบสองนี้ไปก็เราก็คิดว่าเราได้ปฏิบัตแล้วแบบนี้ต่อไปไปหรูอว่าเปรูปขาวหงส์ขาวขอให้มีอาการสามสิบสองอยู่ในใจใเราไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีความจำเป็น ท, ที่จะต้องใช้ความคิดไปกับเรื่องอื่นเช่นเวลาทำงานถ้าเราต้องใช้ความคิด เราก็ต้องทํำงานจะต้องจับการเรื่อ ง, ง, องนั้นเรื่ต้องใช้ความคิดกอนนั้นก็ขึ้นขึ้นหยุดพุดโทโธไปก่อนหยุดหยุดอาการสามที่สองไปก่อนพอเราเสร็จแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วเริ่มกัวงวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเริ่มห่วงห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เราก็กลับมาหาพุโทโธไปหนี้กลับมาหาอาการสามที่สองก็ได้อากสที่สองทั้งไปทั้งกลับไป อนุโลมนะส ต, ติเลแล้วเราจะรู้ว่าวันวันหนึ่งีเรามีสติไ่มถามตัวเราเองว่าวันนี้เราอยู่กับอาการตามีสองบ้างหรือเปล่าหรืออยู่กับพุทโธบ้างหปาการเจริญพุทโธก็ดีหรืออาการสามีสองก็ดีเป็นการสร้างสติทำให้เราเห็นความคุดขปุ่นกันของเรา ส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นความคิดตัวต่างของเราเพราะความคิดตัวต่างของเราเป็นเหมือนตัวที่อยู่หลังฉาที่คอยผลักดันใจของเราให้ออกไปดูภายนอกคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ใจายนไปละแล้วถไปที่รูปคนนั้นรูปคนนี้ไปที่วัตถุชิ้นนั้นชนนี้คิดถึงตู้เย็นคิดถึงของที่อยู่ในของที่อยู่ในตู้เย็นมันไปละ เราไม่ได้เห็นตัวความคิดคือที่ตัวที่สั่งให้ไปแต่ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธเรื่องดุลการทางดิศสองท่องกาหนดอาการดิศารดิสองท่องไปเรื่อยๆต่อไปเราจะรู้ว่าเราเราจะเห็นตัวตัวปูนแข่งแล้วว่าอ๋อตัวนี้เองอยู่ตรงนี้เองมันหลอกเรามันสั่งเราให้เราไปเปิดตู้เย็สั่งให้เราไปกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ นี่แสดงว่าพอเราเห็นอย่างนี้แล้แสดงว่าเรามีสติแลสติต่อไปเราจะเห็นว่าความคิดของเรานี้มันจะมันจะไปสองทางไปทางทางทางกิเลสหรือทางธรรมหรือโครงการคือไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสสามทางแต่ส่วนใหญ่ของพวกเรามักจะไปสองทางโดยไปทางกิเลสหรือไม่ใช่กิเลสแต่ไม่ใช่ธรรมะ นอยครั้งที่จะไปทางธรรมะกันเพราะเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจของเราเอ ง, เองแต่ถ้าเรามาปังเจกปัจจัยเยๆนี้ก็เป็นาการอยู่นเอาธรรมะเอาไปตุกไว้ในใจของเราต่อไปความคิดในทางด้านธรรมะนี้ก็จะงอกเหนือขึ้นมาแล้วก็จะมีทางเลือกสามทางคิดไปในทางจีเดย์ากคี่ไปในทางธรบ้างคี่ไปในทางที่ไม่ใช่ธรรมรือจี่เดย์บ้าง ถ้าเราจะเห็นผลที่สดชื่นว้าเวลาคิดไปนในทางจริงก็จะมีความฟุ้งซ่านมึนวาใจถ้าคิดไปนในทางธรรมะก็มีความสมงบขึ้นมีความสุขถ้าคิดไปนในทางที่ไม่ใช่ธรรมะก็รู้สึกเฉยๆเจอจาสุขก็ไม่ใช่จา่วทุกก็ไม่เฉยแต่การสู้คิดไปนในทางธรรมะมัได้ เราเราก็อยากจะคิดไปในทางธรรมะอยู่เรื่อยๆคือไปคิดคำว่าพูดโธพุทโธไเรื่อยๆก็มีความสงบมีความสนงบมีความเย็นมีความสบายแล้วต่อไปเราก็จะเห็นอริยสัจอริยสัจที่อยู่ตรงตัวสังขารนี่แหละสังขารที่เป็นได้ทั้งสมุทยัยรักเป็นได้มรรคเป็นได้เป็นทางรักถ้าเราคิดไปในทางสามสิบสองคิดไปในทางพุทโธนี้ก็เป็นรักเพราะทําให้จิตสนุก พอคิดไปในาทางกิเลงทางอัตตาตัวตนตัวเราของเราคิดไปท า, คางความโลภวางอยากมันก็เป็นผลทางเสมอก็รอนเสมอต่อไปยังไม่ดูอะไร<ไ>ข้างนอกดูแต่ตัวนี้ตัวที่อยู่อยู่ด้านหลังมาเราด้านหลังเราเนี่ยเป็นอยู่ตัวอยู่หลังฉากตัวที่คอยหลอกให้เราไปหลงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปอยางไปโลภกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็จะคอยมาเปลี่ยนไอ้ความคิดแบบนี้ออาใส่โดยการเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวตัวแก้กันเพราะความหลงมันออกมาจากความที่ไม่เห็นไตรลักษณ์นี่เองไม่เห็นอนิจจัทุกขมงอนตาถ้าเราเราเห็นอนิจจัทุกขมงอนตาอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะมันก็จะทําให้ความโลภความหลง ควากรธนี้มันเบาบางเหมือนกันทุกทั้งที่เราเลิกอยากได้อะไรแล้วก็พิจารณาดูว่ามันมันเที่ยงไหมได้อลไรแล้วมันสุขอย่างถาวรหรือเปล่าแล้วมันมีความทุกข์ตามมาหรือเปล่าเราก็จะได้คําตอบว่าอมันไม่เที่ยงแล้วมันมีความทุกข์ตามมาเสมอแล้วสมมติมันก็ไม่ใชเป็นของเราอย่างแท้จริงทุกวันหนึ่งมันก็ต้องจากออกไปหรือเราจะต้องจากมันไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้ว ต่อไปใจของเราก็จะเป็นธรรมขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นธรรมทั้งแท่งเลยเพราะเราจะคิดแต่เรื่องเหล่านี้คิดแต่เรื่องธรรมะในตลอดเวลาเมื่อมีธรรมอยู่แล้วความนอกออความโกรธความหลงมันก็ไม่สามารถที่จะหลอกเราได้ต่คนที่มีธรรมแล้วมกักจะไม่มีอะไรทันนอกเพราะพุทาไม่มีอะไรเลยอุบาจารย์ท่านไม่มีอะไ ร, เ, รงงเงินทองที่ญาติโยมถวายให้ท่านท่านก็ไม่เกียบเอาไว้ ท้านชอบไปทําประโยชน์ท่านจะเล่นต่อแต่ถ้าคนมีความหลงเก็บไหมเ้าเล่นทอด้วยได้พันล้านก็อยากจะเพิ่มเป็นหมนล้านมหมื่้านก็อยจะเพิ่มเป็นแสนล้า น, นเพราะไม่เห็นไารลักไม่เห็นทุกข์ในเงินทองมันเป็นภทยเนี่ยมีเงินมากมายไม่ใช่ว่ามันเป็นเป็นคุณ คนเขจะคอยจับเราเป็นเรียกฆ่าถ่ายไปไหนก็ต้องหัวมีปืนมีมือปื น, ม, ปนมีคุ้มของอยู่มันอยู่อย่างมีคา ว, วามถสุขตาอยู่แบบนั้นเนี่ยต้องอยู่แบบคนที่ไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าไปไหนไม่ต้องมีคนมากอดคุ้มกันไม่มีอย้ายก็เอาไปสมบัติไม่มีมีแค่แชิ้นทั้งนึง มีอัฐบริทานผ้าไตาผ้าสามผืนบาทจีชิ้นแล้วผ้าสามบาทก็เป็นสีประคตเอวก็เป็นห้าที่กรองน้ำก็เป็นหก เ, เข็นได้ก็เป็นเจ็นแล้วก็ที่โกงโยินใบมีกโกนนี่นนเป็นสมบัติที่พอเพียงถนัดแต่มนละครบถ่วโรยบุญวะาเรา ทำไมต้องมีอะไรจะมากมัอะไานแล้วมันแล้วมันโศกเลยมันทุกกับตป็นหลังนี้ไม่คิดกันไม่ใช้ปัญญาพอเห็นอะไรชอบตัอย่างได้แล้วก็คว้ามาเลยมีเงินไม่มีก็เอบบาบัตร้วยก่อนแล้วก็มากุ้กุ้งใจว่าจะหากันที่ไหนมาจ่ายคาบ เสียกระเป๋าเนะเสียของแล้วเสียดอกเนี่เพราะว่าไม่มีเงินที่จะเขาเขาส่งบินมาตอนปายเดือนก็จ่ายจ่ายไม่เต็มจ่ายครึ่งหนึ่งครึ่นี้ก็กลายเป็นหนี้ไปนีนี้ก็มีดอกแางด้วยร้อแล้วกท่าสิบแปดยี่สิบแปดอยยี่สโ้หเวลาไปส่องอาการได้ร้อยละหนึ่งนะเราได้ยี่สิโห เพมันค <idée> <Hola be> <ienne> ิดเป็นเดือนไหมคือมองเป็นเดือนมันก็ถูกใช่ไหมเาเดือนแล้วจ้าแม่เขาคิดเป็นค่าเนลี่ยบวกเนี่ยคือตามกฎหมายมันคิดได้สิบห้าปอร์เซ็นต์ไ้งแต่ว่าบวกข้านุ่นค่านุ่นค่านี่ไปแต่เขาบัตคับแล้วไม่ให้เกินจิตแต่เขาไม่บอกเป็นเดือนเขาจะบอกเป็นเดือนหนึ่งจุดห้าอย่างนี้หนึ่งจุดห้าต่อเดือนแต่พอคูณด้วยจิตสองมันก็เป็นสิบทำไมเกิด สมัยที่เรียนจบไ ม, มาเขาก็ส่งเครดิตการมาให้เราที่เร<ล>าไม่ได้ไปขอแต่เป็นพวกน้ํามันนะพวกบวริษัทน้ํามันเนี่ยก็จะส่งเกครดิตการมาให้เนยพอเรานปีสี่นี่ก็ส่งมาให้เนะ่ยเราไม่เคยใช้นอกจากจําเป็นจริงๆถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องเป็นหนี่สยามเป็นหนี้แส่วนใหญ่ก็ไ ม, ม, ไ ม, ม่ไม่อยากจะใช้แล้วก็จะไม่ไม่เป็นหนี้เวลาเขาส่งยินมาก็จะอาจากเข้าไป เงินบางที่สะดวกที่บางทีเราไม่ต้องคบเงินสดกันเพราะฉะนั้นเมื่อตอนสงการไปพอนำที่วัดมาก็อยู่ไปห้าวันเจ็ดวันอะไรนึกมันก็เริ่มตระหนักหลายๆอย่างเลยกันอย่างที่ท่านอาจารย์พูดมาสักครู่นี้ว่าพบชาติที่เราเกิดมาในครบนี้เนี่ยเป็นมนุษย์เราเกิดต่อพบพุทธศาสนา มันทํำให้เราคิดว่าอันนี้เป็นช่วงที่เวลาที่ดีที่สุดในกัฏตังสารที่เราเคยเป็นมามถ้าเปลืผ่านไปจากตรงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้อีกนี่มันมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้อเกรงว่าจะต้องไปอยู่อบายตอนนี้เรายังไม่สามารถเข้ากระแสดได้นี่มันวนเวียนกว่าจะเจอสภาวะอย่างที่เราเป็นขณะนี้เนี่ยไม่รู้มันจะได้หรือไม่ได้อย่างไรก็เกิดความกลัวอ กลัวเราก็ต้องเกิดควากล้าตา ม, มกากล้าที่จะกล้าที่จะปฏิบัติถ้ากลัวแล้วไม่เกิดความกล้าขึ้นมาก็ไรใจอยากคิดไปก็อยากคิดไปถ้าคิดแบบนั้นก็คิดแบบกีเลสคิดให้กลัวที่สุแต่ไม่กล้าทำคิดเลยมันฉลาดนะคิก็หลอกให้เราคิดหช่ผมเนื่อ <c oughs> แต่ไม่ไทำเพราเรากล้าคิดอย่างนั้นเราต้องกล้าเถอะเมื่อมนนี่มันจะโอกาสทองแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วเราอย่างนีไปเสียได้อะไร เราต้องเสียดาโอกาสทองนี้สเราต้องรีบใช้โอกาสทองนี้มันได้ประโยชน์มากที่สุดเราออกจะมาได้เลยไม่ต้องรอดไม่ต้องสเสียล้วไม่ต้องรองสเสียงไม่ใช่ห้าเดียวนึงครับหรออือหาเดียวนึงครับต่กลัวครับพี่บาคิดแล้วมันน่าหราเสียวเกัน คิดอย่างเดียวไม่พอคิดแล้นมนั่งพึยกิการปฏิบัติก้าคิดอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติ ม, มันก็ชื่ออยากทีก่างนเราไม่หลอกตัวเราเองอถ้ากินแล้วก็ต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องต้องปฏิบัติถ้ายามใดถ้าเกิดเราไม่สามารถเอาธรรมะเนี่ยเข้าฝังเข้าไปในจิตเราได้เนี่ยนะครับ ตายไปเนี่ยมันสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยจากภายนอกเนี่ยมันเป็นสัญญามันก็หมดไปกับสังขารร่างกายเอมันก็เหมือนกับว่าความว่างเปล่าแม้เราเรียนมามันก็แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็เรื่องแบบนั้นไหมครับก็อย่างที่มันเต็มอยู่ทุกวันเนี่ยมันายจําได้มากนะเสี่มันก็จำไม่ค่อได้ฟังแล้วมันก็ผ่านไปถ้ามันฟถ้ามันจําได้การถามที่สองนี่มันต้องอยู่ในใจเราตัอ มันไม่อยู่เลยอยู่ม่อยูอาการทักอาการอยู่ในใจออย่างเงี้ยเห็นคนนี้ก็ไม่เห็นอาการสามสิงเห็นแต่ในกอในคอหรือว่าเขามีฐานะอะไนมีตําแหน่งอะไรเห็นอย่างนั้นซึ่งเป็นเห็นสมมุติทั้งนั้นไม่เห็นไม่เห็นความจริงคามจริงที่ท่านเรียกว่าเห็นกายในกายกายในกายก็ต้องเห็นอาการสามีิบสองในตัวกายในกาย เราเปเห็นนายกรนกรนายนี้นายขอในกายนี้ผู้ว่าเอ่อขออในกายนี้หัวหน้าเลื้ยรุ่น้องอยู่ในกายนี้เราไปเห็นสมมุติถ้าเราเห็นกายในการเราก็จะนึว่าเหมือนกันหมดไม่มีไม่มีสูงไม่มีต่ําไม่มีหน้าหน้ารักไม่อหน้าบางเกลือ ในผมคนเนื้อฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันกกยืดกระเจาเ็บตาเหมือนกันพระเราฟังแล้วเราไม่เอาไปขลายความต่อเราไม่เอาไปพิจารณาต่อเราไม่เอาไปปฏิบัติต่ อ, เ, อนเนี่ยลองทําดูสิวันหนึ่งอ่ะ พูดโทรมั่งวันหรืออาการตาที่สองนั่งวันเนี่ยเวันเดียวถ้าทำได้ตลอดอย่างก่อนเนี่ยมันต้องเห็นอะไรหรืต้องได้อะไรอย่างนี้หน่อยอะมันไม่ทำกันพอจี่นี้ไปก็มันก็ลืมหมดแล้วมือนควันไฟเหมือนจางหายไปหายไปแล้วเรื่องอื่นมันก็เข้ามา ตอถึงนี่ก็มันก็มาความคิดปุงแต่งก็กมาแล้วจะไปไหนกันต่อมองไปข้างหน้าแนละ้วมองไปถึงเหตุการที่จะต้องไปทําต่อในวันนี่งขึ้พรุ่งนี้ต้องไปทํางานทําการโอ้ยต้องมีธุระกับคนนั้นกับคนนี้มันไปสำเร็จกันนะแล้เรื่องที่เราได้ยินได้ฟังที่เป็นตัวสําคัญต่อการให้เราเกิดปัญญาเกิดความรู้ทันกิเลนนี่มันก็หายไป พราะมันยากมันติดเป็นนิสัยนิสัยเราชอบคิดไปกับเรื่องต่างๆ mm hmm. พอจะให้มันคิดกับเรื่องธรรมะนี่มันจะไม่ไม่ยืนดีมันจะชอบแล้วมันก็มันก็จะเล่นไปเพราะมันจะไปยืนดีกับเรื่ององื mm ่นถ้าเราต้องฝืนเราต้องบังคับไม่มีทางอื่นต้องบังคับต้อง ต้องกําเลยว่าวันไหนอาจจะต้องทุกชั่วโมงเนี่เต้องพุทโธรทุกทุกห้านาทีได้อย่างดีหรืออาการ32พอต้นชั่วโมงครับดวงเมตาออาถึงเวลาพุทโธรห้านาทีแล้วพุทธโทรไปห้านาทีหรืออาการ32เป็นห้านาทีอย่างนี้มันจะได้เหมือนเหมือนกับรถที่วิ่งแนละ้วมันมีไอ้ที่เขาก่อกั้นว้ให้รถมันวิ่งอยู่อะเงินถนนะ มันก็พอมาถึงปั๊บมันก็ต้องชะลอแล้วเพราะถ้าวิ่งเร็วเร็วรถผังมันต้องวิ่งข้ามอะไรเติมจิตขวางที่ต้งก่อขึ้นขวางถงนนอมันรถมันก็จะวิ่งเร็วไม่ได้จิตของเราก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หายไปจากธรรมะเพรอะทุกทุกชั่วโ ง, งนี้จะต้องมีธรรมะมามาม า, มาเติมสติทุกครั้ง ก็อลองกำหนดดูดิวันหนี้ตุ้ชั่วโมงเราจะให้เวลากับธรรมะห้านาทีอาลองดูี่าจะทาได้ไหมยกเว้นขณะเวลาที่เราหลับคือไม่ต้องเป็นชั่วโมงตรงเพ็งเลยก็ได้คือบางทีตรงเผ็งชั่วโมนเราไม่ว่างต้องคุยกับคนนั้นอยู่หรือทำอะไรอตอนนั้นเราก็เราก็จัดเวลาไว้กแล้วกันก่อนบ้างหลังบ้านก็ได้ แต่โดยเฉลี่ยก็ขอให้ในทุกชั่วโมงไว้สําหรับธรรมะสันห้านาทีปฏิบัติสนห้านาทีทุกในหนึ่งชั่วโมงขอให้ได้ปฏิบัติสั้นห้านาทีนั่งตาพุทโธพุทโธไปหรืกําหนดลมหายใจก้าออกไปหรือท่องอาการสาสิบสองไปหรือพิจารณาตายละก็ได้ดูความไม่เที่ยงพิจารณากรใีอย่างคุณปุกก็ได้ มีใครเป็นาคาดฝันว่าจะต้องเจ็บท้าได้ปวดขึ้นมาอย่างประทานธรนนมึจะเรียกว่าอนุจาร์ เ, าเนี่ยในเทียนกลางแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้คิดอย่าง น, นี้บ้างนราจะได้มีความกระตือรือร้ีจะเห็นคุณค่าของเวลาโอกาสที่เรามีอยู่เพราะถ้าเราเกิดเจ็บท้าได้ปวดขึ้นมาเยอะขี้กลดขี้การไปโอกาสที่จะ ไปฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมนี้ก็จะไม่มีหรือจะยากขึ้นขณะที่มีรักง่ายยังไม่ค่อยทำกันถ้าเกิดมันไม่มีแล้วยากมันจะไปทำได้อย่างไรเอขคิดแบบนี้ลองดีนะวันนี้ฝากการบ้านตัวก็ลงละหังกันที เว้เวลาหลับเวลาหลับก็ม่ต้องเวลาที่เรตืน่นี้ลองลองลองกําหนดว่าเราจะให้ให้เวลากับธรรมะชั่วโมงละหนาทีในรูปแบบไหนก็ได้พุโทโธพุธโทโธไปก็ได้ใจมันก็ได้มีอะไรมาค อ, อยสะดุดบ้างไม่งั้นมันจะไหลไปทางกิเลสไปกระทั่งเดินธรรมะไปเป็นวันๆเป็นเดือนๆเลย เพราะเรื่องมันจะผูกพันมันมันจะเกี่ยวต่อเนื่องกันเรื่องนี้มาแล้วมันก็จะมีเรื่องนั้นมาต่อมาต่อมันเกี่ยวกันไปเรื่องนันไปแต่ถ้าเรามีธรรมะคอยคอยเหนียวล้างไว้บ้างทุกทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงนี้มันก็จะทำให้เราใช้สติปัญญาบ้างว่าเออเราควรจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นไหมถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราจริงๆเราอย่าไปยุ่งอยูว่าวกทอราะก็เหตุแต่อารมณ์ของเราลิขิตของเราชอบอะไร ชอาไปยุ้วเหมือนอย่ทีเขาไม่เชืก็ไปต้องเดินเข้ามาหาธรรมะต้องหาอุบายแต่ละคนต้องหาใช้ใช้วิธีหาหาอุบายเปินเดนใจเข้าหาธรรมะให้อยู่กับธรรมขให้มากาคือฟันที่ฟังธร ร, รมปฏิบัติธรรมอยู่ก็เรื่องราวเหลนี้ได้ อย่างนี้เราก like ็จะใช้เวลาให้เกิดคุณค่าว่าเราไะได้ไม่มาเสียใจในไทยเ่าเราเราหมดเวลาไปกับเรื่องไร้สาระต่างๆไม่ได้เรยจะได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจของเรามีเงินกองเท่าผูเขาแต่ใจของเราก็ยัางเท่าส่อยหน่อนึ่งมีความทุกข์มีความกังวลมีความหวาดกลัว เงิมเดิม <c oughs> ช่วยให้มีอะไรดีกว่าการมีความสงบมีความสุขมีความสบายไม่หิวไม่อ่ะไม่หวงไม่หวงไม่วิตกไม่กังวลไม่กลั ว, ก, ล ว, ก, ลวกับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นก็ดีและที่จะเกิดขึ้นก็ดีเป็นว่าจะเล่นรธรรมดา ใจไม่ได้เป็นกับสิ่งเหล่านี้ก็อย่างใจไม่ต้องเป็นเดือดร้อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่สามารมาทำลายใจได้ทำลายได้ก็เปลี่ยนแต่ร่างกายนี้เท่งนั้นเองร่างกายนี้ไม่มีอะไรมาทำลายมันไม่ทำลายตัวมันเองเพราะมันเป็นมันมันเป็นสู่รของมันมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายของมันเอง ที่ทําการบ้านมาไม่มีอะไรรายงานให้ฟังเลยครับไม่มีปัญหาเลย <c oughs> ไม่มีอยู่ <c oughs> ยบ้านทำอะไรบ้านเหมือนเดิอย่างที่ท่ชานอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าถ้าเราคิดแล้วก่อให้เกิดความก้าวที่จะทำกอคุณจะคิดไปแต่ทีนี้ถ้าคิดไปแล้วก้อให้เกิดความก้าวที่จะทำทีนี้จะถูกยับยังไว้ก่อนเพื่อที่จะให้มันทําได้ดีกว่านี้จะคิดยังไงดีครับ ก็ต้องรอกว่าพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีไปได้ถ้ารอระดับนั้ทําทําทำเท่าที่เราทําได้ก่อนจดีกว่าไปรอนึ่อย่าน้อยก็ได้ทําดีกว่ารอเหนือพรุ่งนี้มันไม่มีแล้วเราจะทำเลยมีครั้งมีความรู้ว่ถ้าเราคิดครั้งหนึ่งแล้วเหนือครั้งหนึ่งเราเรียกเกิดใจที่จะออกจากงานผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยแตนี้ถูกเยียวยาเลยเพราะแม่ครูาอาจารย์นี่ก็ควรจะยังไงดีทุกท่าน เราก็ต้องตัดสินใจล้วเราต้องรู้ตัวเราเองว่าเรา<ม>เราไปดีหรือไปไปไม่ดีแต่ถ่านจะคินิมิตก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็มาเจอครูบาอาจารย์ยับยังนี่มันก็มันผมันตรงกันนะก <c oughs> ็อยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์นัท่านผูน้หนุกตาบอดหรือเปล่าร<ม>ท่านตาดีหรือเปล่าหลวงตามหาภูชุพ่นถ้ามีนพูกับเราโดยตรงเลยนะ<จ> ถ้าท่านรู้ดีตาดีก็ต้องเชื่อท่านเลยก่อนแ่ก็บอกเองว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวอตเราได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะออกแน่ๆแล้วแต่พี่ท่านถูกยับยั้งแล้วก็เออก็เลยก็จะมาเพื่อดูตัวเองก่อนให้นักแน่นกวนี้ก่อนะก็ได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเห็นว่าเราอาจจะไม่พร้อมก็ได้ท่านบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งรีบด่วนเรายังไม่เห็นด้วยพี่นี่ท่านเ่านอย่างนั้นก็ควรเชื่อท่านเล้ก่อน หรือท่านอาจจะทดสอบใจเราหนึ่งก็ได้นคือจากนั้็ไม่เคยถามอีกเลยค็นีหายมาแล้วคือเป็นคาตอบที่ที่สุดแล้วครูบาอาจารย์เราบางทีครูบาอาจารย์ท่านไม่อยากจะต้องใจให้เราใช่พูดอย่างนั้นก็อาจจะเป็นการทดสอบใจเราว่าเรา แราว่าเอาจริงไหมถ้าเอาจริงไ้มแต่เทวดาก็หยุดเราไม่ได้เราก็ต้องที่ว่าเวลาเราทุกข์กุบาอาจารย์ท่านก็ไม่มาทุกข์แทงเราคนอื่นก็ไม่มาทุกข์แกนเรา เราพิจรารณาดูตัวเราเองแล้วคิดว่าเราไปได้ก็ไปเถิดแต่อย่าไปโทษครูบาอาจารย์ว่าเป็นคนยุโยงส่งเสริมหรือ <c oughs> ห้ารกันเอกันให้ไปด้วยการพิจรารณานของเราเองเอะ ลูกคุาจารบางทีท่าน่วดอะไรบางอย่างนี้มันก็มีมีมีบางทีมันก็เป็นเงื่อนงาให้เร า, าเอาไปคิดดูเหมือนกันแล้วมันก็ต้องอยู่ที่เหตุผลดูที่ตัวเราเป็นหลักว่าเราพร้อมหรือไม่ถ้าเราพร้อมแล้วถึงแม้คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ไม่เป็นไรเพราเราพร้อมที่จะรับทั้งดีและชั่ว แล้วมัไปในทางนี้มันดีทํามจะทไมจะไม่ไปแต่ก่อนที่จะตัดสินใจพีฝันเป็นนิมิตนะคะฝันว่าจะต้องข้ามน้ําซึ่งน้ํานั้นมันเปกระแสไหลเชี่ยวมากแต่แต่เมื่อมองตรงไปข้างหน้าเป็นทางตรงแล้วพีก็จะข้ามน้าตรงนี้ให้ได้ะค่ะ <c oughs> แต่น้ํา ม, มันแรงมากเลยนึกหยุดไปก่อนฟพีก็ตื่นขึ้นมาก่อน แล้วทำไมจะรอให้น้ำมันอ่อนนลคือนี่คือถ้ามองไปนี่มันต้องคือไปไปตามกระแสที่มันไหลแรงยันมากเลยค่ะคือนะครัว่าจะไม่สามารถไหวถวนกระแสไม่ได้แต่ก็ไม่ได้รอเลยมันสอนให้มันตึกเมื่อก่อนเลยตรงนี้แล้ยังตรงไปต่อว่าไี้ตอนตื่นมาไมเราไม่ใช่ไม้ถอข้าวไปนะตามจริงนี่มิดเหล่านี้บางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีบางทีมันก็ให้กําลังใจเรา บางทีมันก็ให้เราท้อก็ได้ถ้าไม่มีก็ดีเหนะมือนกันเนี่ยที่จะตัดสินใจกาเบียนท่านวันนั้นคือดสินใ อ, อัปเดตข่าวแน่นอนแล้วแต่า ก, กาเบียนพ่อแม่ก่อนอะไรอย่างี้ก็เลยซึ่งก็มีความคิดว่าเอ้บางอย่างที่ท่านเทศมาเพื่อให้เรารู้ถึงเงื่อนที่ท่านจะบอกเราเนี่ยบางครั้งมีความรู้สึกว่าเอ็งที่เราท่านจะบอกเราเนี่ยบางครั้งเราคิดไปอีทางนึ้งหรือเปล่าคือท่านอาจจะบอกอีทางนี้แต่เราคิดปอทางนี้เนี่ยเราจะมีข้อ คิดยังไงว่าเอยที่เราที่ท่านให้เราคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้กับที่เราคิดเองาผิดไปกับที่ท่านต้องการให้เราคิดนะะคือฟังยังไม่ยังไม่เข้าใจคำถามคำถามคืออะไรคืออย่างบางทีฟังท่านเทพใช่ไหมคะ ก็น้องเราทำที่ท่านเทศเนี่ยมาสอนตัวเราเองซึ่งบางครั้งเรคิดว่าสิ่งที่ท่านสอนตรงน่นจะตรงนี้ทําให้เราสามารถที่ตัดสินใจออกจากงานได้แต่ในทำไมเราตัดสินใจได้แล้วแต่ที่นี้มันก็มาเจอเหตุการณ์ว่าท่านบอกยังไม่ต้องรีบร้นเรายังไม่เห็นด้วยตรงนี้ก็เเอ๊สงสัยว่าเราเข้าข้างตัวเองเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็มาคิดอีกมุมที่ท่านพูดว่าอาจจะเป็นอีกเงื่อนงึงที่เราที่ท่านต้งการใหเราน้องกลับไปคิดอีกทีหนึ่งเพื่อความรอบคอบของตัวเราเองหรือความมั่นใจตัวเองที่จะได้แช่ให้แน่นี้ ือการตัดสินใจที่จะไปทางนี้ถ้ามันไม่เห็นผลมันจะลังเลสงสัยไม่มันจะแต่ถ้ามันเห็นผลแล้วมันไม่สงสัยมันไม่ลังเลมันมันไปได้กล้าไปปัญหาของเราก็คือตรงที่เรายังไม่เห็นผล เราก็วลายอย่างอย่างสองจิตสองใจพยายามลองปฏิบัติให้มันมากขึ้นไปกว่าน้ให้เรามีความมัม่นใจขึ้นมาแล้วมันก็ไปได้เรื mm ่ hmm. องเหล่านี้เรา mm hmm. ถึงเวลาที่เราตัดสินใจแล้ ว, mm hmm. ลวนะเราไม่ต้องไปถามคนอื่นให้เขาตัดสินใจแทนเราเราต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเองเพราะเรา เรารู้ตัวเราถ้าเรายังไม่รู้ตัวเรานี่แมันก็นแสดงว่ามันยังยังไม่พร้อมที่พูดนี้ไม่ทราบถึงรายละเอียดที่ท่านได้พูดกับเราเป็นยังไงเราก็เลยไม่ก่อยอยากจะไป เข้าไปยิ้ทางยุยจนะันยิ้มเพ้อใจยังไงเข้าย์นะอันั้นยกว่าเป็นการส่วนบุคคลก็แล้วกันเฉพาะของคนสองคนคนที่สามไม่อยากจะเข้าไปเดยเฉพาะถ้าเป็นคำพูดของครูบาอาจารย์เราก็ต้องต้องเคารพ เราก็เลยไม่ไม่ตามพูดจากทิ่เค้าผิดถูกางไปในแต่พูดแบบตามหลักว่า<ม>การตัดสินใจนี้หมนถ้าเรามั่นใจเราไม่ต้องไปถามใครนะถ้าเรารู้ว่าอะไรดีแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องการเนี่เราไม่ไปถามใครนะ พยายามปฏิบัติให้มันเห็นผลให้ได้ถ้าเห็นผลได้แล้วมันก็จะมันก็จะไปเองพี่ท้าจ้ว่าเห็นผล่ี่เห็นผล<ๆ>ในรูปแบบตรงไหนแลยเจ้าคะเพื่อความสงบในจิตนะถ้าจิตรวมลงเป็นหนึ่น ง, งได้เอกตารุมได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เคยเห็นในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่ยังประทับอยู่ตามลําพังใต้โคนไม้ แล้วจิตก็รวมลงโดยที่ทรงมันก็ไม่ได้ไปนั่งสมาธิสมาธิหรือ ท, ทำอะไรแต่นี้มันเป็นเรื่องของบารมีของบุญเก่าที่เคยทำมาแล้วพอมีปัจจัยคือความสงบรอบข้างมันก็เป็นตัวทำให้จิตนั้นรวมลงได้โดยโด ย, โดยธรรมชาติของมันเองเพราะมันเคยรวมมาแล้ว โดยทีไ่ไม่ต้องไม่ ต, ต <c oughs> ้องไม่ั้องคพุทธโพุทธโอืดี๋บางท่านมีแล้วเพียงแต่พุทธโธเพียงห้านาทีสุดก็ลมลงด้วตรวนี้เขารู้แล้วว่าว่ารางวัลที่แท้จริงของชีวิตมันอยู่ตรงไห น, นตรว น, นี้เขาก็จะไม่ต้องไปไปถานใคร แต่ว่าเขาอาจจะถ้าถาน่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของภาระต่างๆที่ตัวเองยังมีอยู่มัเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเรืจะเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูคนนั้นเลี้ยงดูคนนี้ถ้าอย่างนี้เราอาจจะไม่มีปัญญาดีพ อ, อก็อาจจะอาศัยผู้อื่นช่วยยุ่งก็ให้เรา ไ, ได้เพราะเราอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองก็ได้บอกว่าอเออเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วกันทุกคนถึงเวลาตายก็ตายไปเสิ อาตตาที่อะตโนมัติตอนเป็นที่พึ่งอของตนถ้าคิดอย่างนี้เราก็คลึงได้หมดเลยแล้วก็เราก็เข้าป่าไปเป็นบุญด้า น, นแต่มันอาจจะเป็นความคิดที่อาจจะกระทบกระเทือนใจผู้อื่นสร้างความยากังบาให้แก่ผู้อื่นอย่างนั้นก็อาจจะต้องมีการมีการใช้ใช้เวลาเพื่อที่จะ ปวดเพื่อนภาละเหล่นี้ลงไปก่อนอย่างพระพุทธเจ้าท่านที่ท่านไปท่านก็คคตรทรงจะคงจะพิจารณาแ ล, ะละ้วว่าถ้าท่านไปคนที่อยู่ก็เ ข, าข้าคงจะไม่เสียในทางด้านเรื่องปัจจัยสเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยเขาก็มีพร้อมเพียงอยู่ทุกคนสิ่งที่เขาขาดไปก็คือเพื่อนหรือลูกหรือสามีพ่ออะอย่นี้น ซึ่งมันก็ถ้าเราคิดว่าสมมติว่าถ้าเราเกิดเราตายไปในวันนี้เขาก็เขาก็อยู่ได้ต่อไปเขาก็ต้องปรับตัวของเขาเองเขาก็ต้องจัดแล้วออกจากบัญชีขญเขาไปคนนึงนถ้าเราไปแล้วเขาอยู่ได้เป็นปกติเขาไม่เดือดร้อนทางร้านกัจจัยจิตมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาต่อไป แต่ถ้าเราไปแล้วเขาเหลือร้นอนเช่นไม่ไม่มีใครเลี้ยงดูเขาแล้วเขาจะต้องอดอยากขาดแคลนหือถึงกับเสียชีวิตไปก็ได้ถ้าอย่างนี้เราก็ยังไปไม่ได้เราก็ยังต้องรับภาระนั้นม่อยู่ก่อนหรือจนกว่าเราจะหาผู้อื่นมารับภาระแทนเราได้หรือคนที่เราต้องเลี้ยงดูเขานั้นเขาสามารถพึ่งตนเองได้ หรือเรามีวิธีอื่นเช่นเราอาจจะมีเงินสักกอ้อนนึงแล้วเราให้เงินก้อนนี้เขาใส่แล้วให้เขาจ้างคนอื่นมาดาแูแลแทนอย่างนี้อย่างนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องฝึกย่เกี่ยวกับเรื่องภาระความผูกพันต่อผู้อื่นที่แต่ตัวสำคัญจริงๆที่จะ ท, ทำให้เรากล้าตัดสินใจนั้นก็คือความ ผลทางความสงบที่นี้ที่เกิดขึ้นในปิตใจของเราเพราะว่าถ้ามันมันได้สัมผัสนี้แล้วมันทําให้มันอยากจะได้มันไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบมีความรู้สุกอย่างนั้นแล้วมันจะไม่มีความรู้สุกยินดีกับสิ่งอื่นเหมือนเมื่อก่อนนอย่างที่ท่านพูดไว้เสนอว่าลถแข่งธรรมชนะลดแห่งขวกวพอได้สัมผัสกับ คามสงบนี้ที่เป็นรถแห่งธรรมนี้แล้วมันก็จะไม่เห็นว่ามีรสชาติอย่างอื่ที่จะยิงเข้าที่เราอยู่กันทุกวันนี้ก็เพราะเรายังติดอยู่กับรสชาติอย่างอื่นไปติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆส่วนรถแห่งธรรมนี่เราเพ่งกันได้ยินได้ฟังได้จิตใจ แต่เราไม่ได้สัมผัสของจริงถ้าเราได้สัมผัสของจริงรรแล้วรับรองได้ว่าเราจะเริ่มหาทางไปแล้วมีภา ร, ระอะไรก็เริ่มวางแผนแล้วอาจจะต้องตัดภา ร, ระต่างๆอย่างนี้ให้มันหมดไปให้ได้เพื่อจะได้ไปอย่า ง, างเรียบร้อยเพราะถ้าเราไปอย่างไม่เรียบร้อยบางทีไปแล้วอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกเสียใจ หรือตะกิตตะโขงใจก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญก็ได้แต่ถ้าเราไปแบบที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยทุกสิ่งที่อย่างจบจะถูกใจหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะความถูกใจนี้มันเป็นสิ่งที่เราวัดกันไม่ได้แล้วเราก็ไปทำให้คนอื่นเขาถูกใจไปตลอดไม่ได้ แต่ถ้ามันเป็นความถูกต้องเป็นธรรมก็ถือว่าสายได้ก็แลนะ้วอย่าเอาความพอใจของคนมาเป็นเป็นเป็นประมาณให้เอาทำ ม, มาเป็นประมาทหลตาท่านบอกว่าท่านเกรงธรรมท่านไม่เกรงใจคนถ้าเกรงใจคนแล้วทำก็แล้ มันต้องเอาทำเป็นเป็นประมาณเป็นเป็นหลักของการจัดสิ่งที่เราเราไปแล้วพ่อแม่ไม่สบายใจไม่ไม่พอใจอย่างนี้แต่เขาก็อยู่ได้เขาต้องมีความสุขเหมือนเดิมเขาก็มีฐ า, า, านะดีเขาทเาไม่เดือดร้อนเกีเ่ยวกับเรื่องการกินการอยูย่แต่ว่าเขาไม่ชอบให้ลูกไปบวชอย่างนี้ไปบวชแล้วเขาไม่สบายใจ อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเเป็นเป็นประมาณเหมือนกับพ่อของพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากให้ลูเหมือกันพออยากอยากให้ลูกสืบทอดราจะ่าจะสมบัติอละให้เป็นมหาจักรพรรดิถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับความรู้สึกของผู้อื่นเรากวรอย่าวิตกกังวลกับความรู้สึกของเรา ถ้าเราอยู่แล้วจิตใจเราวุ่นวายทุ่งท่าไม่มีความสุขเราอยู่กันทาไมถ้าเราออกบวชแล้วเรามีความสงบมีความสุขไม่มีความทุกข์ทำไมเราไม่ไปเราตรงนั้นกาเป็นเป็นเป็นตัววัดแล้ ที่คุยกับท่านมานา น, นานก็ยังแล้วไม่มีกำหนดที่จะทำอะไรต่อไปแล้วกับรุ่นเปแล้วก็ยังคือว่าโอ้ไปไม่รอแน่แน่ตนย่อมรู้ตนเอง ว่าอย่างน้อยเราไม่เคยตัดสินใจวัดครั้งนึงแล้วถ้าจะเป็นสองกมันยากมันมันมันจะได้กำลังใจแล้อะไรคือแต่การตัดสินใจที่ไม่ได้ทำมันมันก็เหมือนกับไม่ได้ตัดสินใจอะไรตัดสินใจแล้วไม่ได้ทำมันก็เหมือนกับไม่ได้ตัดสินใจเลยอย่างนี้ย่างคิดว่าอย่าว่าเราแก้นี่ตัดสินใจหรือไงคะ กอนอาจจะไม่กล้าไปใต้ดแบบน้าเลยอย่างนี้ไม่ไปก็เหมือนไม่ได้ตัดสินใจไม่ไม่เห็นการตัดสินใจที่ตามมาตัวที่สองคือไม่ไปนี่จะเป็นการตัดสินใจอย่าง ก็ได้ถ้าไฟไม่รอดก็กลับมาก็ได้ใช่ไห้อย่างน้อยได้ทําก่อนนะอ่า อ, อย่างน้อยก็ได้ไทดลองดูก่อนก็มีลูกศิษย์มาทังทําสามคนละที่เขาออกจากงานแล้วก็ไปอ <c oughs> บวชีสองคนแล้วก็ปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้บวชีแต่เลาออกจากงานในทำงานอะเอาเอาเวลามาปฏิบัติธรรมอายุก็ไม่มากนะสามสิบ่าข2คนนี้ไม่มากอีกคนนี้ก็ห้าสิบคนที่ห้าสิบนี้เขาบวชีมันต้นงเขากาจะเราหกสิบก่อนแล้วก็อบวช แต่พอดีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางท่ามันก็ต้องจัดสินใจหยุดับก็เลยพออยู่ไปกรเทานั้นคือเขายังชอบขับการขับรถเที่ยวองี้แต่พอดีรถมันอุบัติเหตุเป็นคนคนตายเราก็เลยบอกว่าเลว่าอย่างถึงเวลาถึงเวลาที่เราต้องหยุดละทำานสิบแบบนี้มันไม่จกเลยผมทุกแล้ว เขาเห็นทุกข์ก่อนมันเป็นจแต่บามที่การจะอยู่กสิ้นใส่ก็ทำบุญปฏิบัตินกันแต่แล้ว่าไม่เอาเต็มที่ไม่เอาเต็มรูปแบบอย่างขอเป็นมือสมัครเล่นเดียวอันนี้เอาเป็นมือชี้ละ ีคนหนึ่เขามาฟังเทศอยู่เป็นประจําแล้วเขาก็มาราบเขาจะเป็นโยชนชียนตการไม่ได้ถามรายละเอีกดเขาว่า<ม>เป็นยังไงเขากเคยมาฟังเทศแล้วเคยมาถามปัญหาอยู่บ้าง<ม>อีกนะนี้อาจจะเป็นพ่อครองทีฝ่า ย, ยแล้วก็ได้นะมันก็เปลี่ยนแต่ได้รับ ก, การส่งเสริมจากการได้ยินได้ฟังทําให้เกิดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าการตัดสินใจใจในทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องแล้ว เพราะว่ามันมีกระแสทางกระแสที่จะสวนกับความคิดแบบนี้ก็มีคนเพื่อน้องในครอบส่วนใหญ่ยังไม่มีใครเขเห็นงนี้ยเขาก็กลัวจะไปลําบากกลัวว่าจะไปทุกข์ทรมานแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ากระโดดทำไมได้อะไรนะเขาอันนี้ก็เป็นกระแสที่เราจะต้องป่ามันกันเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีเพื่อนมีพี่มีน้องมีญาติมีเพื่อนฝูง เขาก็จะมีความคิดที่มัมกจะสวนทางกับความคิดของเราความคิดที่จะไปในนทางาํารมะแต่เราที่โชคดีเราไม่ค่อยมีเราไม่ค่อยอยุ่งกับใครพอเวลาเราตัดสินใจก็ไม่เราไม่ปึกษาใครไม่ถามใค ร, ใครกรันเลยแต่ตัสินใจว่าเราไปเคนเดียวพราะเราเป็นตัวของเราคงดีมาตลอด การไปเรียนต่างประเทศนี้เป็นไม่ได้ไปไม่ได้เคยคิ้งทิ้งพาใส่ขายเพ่งตัวเอยู่ตลอดทำมาอยู่ที่บ้านที่ที่ ท, ท, ท, ที่ที่ประเทศไทยนี้ก็ไม่ได้ปไปไปไปติดจ้าอะไรก็ไหนมีอะไรต้องทําก็ทําไปมีงานต้องทําก็ทําำไปเรื่องการแสวงหาความรูม้ประสงค์การเรื่องกา่แสวงหาความรู้ทั้ง ทางด้านจิตใจพอได้พดกับความรู้ทางด้านธรรมะ แ, แล้วก็รู้ว่าต้องทำแล้วก็เลยเริ่มปฏิบัติเลยพอปฏิบัติพอเริ่มเห็นผลแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มกำหนดเข้าหมายเลยว่าจะต้องไปทางนี้ไนปะก็กําหนดเป็นขั้นไปนึเลยลก็ยังไม่่วดทดันทีขอเวลาทุกปนะีลองปฏิบัติอดูแต่ก็จะรักษาสิทนะิ อ่าสำรวจตาหูจมูกจิ้งจกไม่ไปเที่ยวไม่ไปหาความสุขอยากพูดเสียงเกินรบต่างๆแต่ใช้เวลาหมดแต่ ก, การหนังสื อ, อ่านหนังสือทำละเดินจนคงนั่งส ม, มาธิพอทำได้สักจีนก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจในการไปได้ก็ไปหาพระเลยไปหาพระบุญก็ได้ข้อมูลว่าควรจะไปบทที่ไหน เราควจะไอยู่กับใครก็รแนะนาใหไ้ไปทางภานอุตสาหหลวดแบนี้แห้ไปเขากูบาจารทางาคอุตสา์พอบวชเสร็จก็ไปแต่นันก็กูบาอาจได้อยู่ขันได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติแล้วมันก็มีทางไปเนถ้าเราไปทางนี้แล้วมันไม่มีอะไรรายักยังเราได้ถนะึที่ยักยังเราได้ก็เนี่ยความลังเลสงสัยเนี่ยนิวรณิวรณ์ เปนีหมนกับเป็นอุปสรรคขวางกันของการความ ข, ของการทําความเสงใจความหลั่เลยสงสัยสงสัยในความสามารถของตนเองว่าจะทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความนลั่งเลยสงสัยา ก, การยังกางกระฉันทวามยังยึดติดอยู่กับความสุขทั้งรูปสีเก่องกอันนี้ตัวนี้ก็ตัดยาก รับประทานอาหารมือเดียวจริงๆแล้วก็ไม่รับประทําให้เลยต้องจัดหืห่มง้มเปล่าอยู่พยายามกำจัดความอยากรูปเสียงเกินลดลงในส่วนเกี่ยวกับเรื่องการขบฉันการดื่มดื่มก็เดินไปน้ำเปล่าอย่าไปเดินงน้ำที่มีรสชาติหวายเปรี้ยว รับประทานอาหารก็รับประทานแบบรับประทานยาเอาหนเดียวอาหารอะไรก็ได้ขอให้มันรับประทานยามันอิ่มท้องไม่ไม่เจ็บข่ายได้ป่วยก็พอแลนะ<ม>ตัดปัญหารเรื่องการบรสันท์ส่วนการบันเทิงในรูปแบบต่างๆก็ตัดลงไปเลยไม่ดูหนังไม่ฟังไปไม่ออกไปที่ตามสถานที่ต่างๆ ถ้าออกไปก็ไปหาหมูมสงบที่ไหนเยนี้ยเพื่อไปนั่งสมทีิบางทีปฏิบัติอยู่ในห้องในบ้านไปรางรก็รู้สึกหืดอัดก็อยากจะออกไปบ้างก็ออกไปแต่ตหาที่มีเมุมู่สงบไม่มีไม่มีไม่มีเสียงที่นายุ่ยว น, ยนคนใจเราต้องดูเราต้องบุก เราต้องอย่ารอให้มันมาบุกแล้วเราค่อยสู้มันถ้ามันบุกแล้วเราไม่มีทางที่จะสู้มันได้พอมันออกฤทธิ์นี่เราก็อ่อนนีหมดเลยออกฤทธิ์เราจะดื่มไม่นั่นหน่อยกินนี่นี่หน่อยนี่ก็ต้องยอมมันเราต้องบุกด้วยการกาหนดมาตรฐานของการกินของเราของการดื่มของเราว่ากินมื้อเดียวจะกินองไรก็กินตอนนั้นอ๋ออยากจะกินอะไรก็กินตอนนั้นกินเสร็จล้วก็จบ ถ้าจะเดินก็เดิมตอนนั้นนะถ้าเดินเวลาอื่นก็เดินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวมันต้องกําหนดอย่างนี้แตท่านก็ไม่เอาเลยท่านมีก็ยกให้คนอื่นไปขายไปทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวขึ้นบรรเทิงไม่อยากให้มันอยู่ใกล้ตัวเราเบริจากันให้ทานไปอันนี้เครเรียกว่าบุกเรียกว่ารวย ถ้านั่งรอเดี๋ยวมันก็มาชวนนะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาที่จะดูเรื่องนั้นแนละ้วเดี๋ยวก็ฝากเปรี้ยวขึ้นมาอาจจะอะไรขบเคี้ยวถ้าอย่างนี้พอเกิดความรู้สึกอย่างนี้นมันก็จะไม่มีทางที่จะซู้มได้แต่ถ้ามันอยากแล้วแต่ไม่มีอะไรให้มันขบเคี้ยวมันก็มันก็ไม่รู้จะขบเคี้ยวอะไ อยากดูก็ไม่มีอะไรให้ดูมันของพวกนี้ต้องยันอยู่ใกล้มือตอนที่เราปฏิบัตินี่ส่วนีหญ่เราจะออกไปกินข้างอกกินข้าวไปกินกุวยตี๋วอะไรเงี้ย่างนี้กินแตงกจละที่บ้านไม่มีของกินของอะไร มีก็เป็นภาระต้องคอยดูแลไม่มีอะไรมสบายเราไม่เห็นคุณค่าของความสบายใจเพราะเราไม่ก็ได้อยู่ใจเราเรามุ่จะไปดูสิ่ง น, นัานจริงนี้เราวก็เห็นคุณค่าเพชรมีราคาขนาดนั้นถึงนี้มีราคาขนาดนี้มีคุณค่าอย่นี้คุณค่าอย่างนี้น เนี่ยปล่อยให้ใจนี่มีแต่ความแห้งแล้งมีความอ้างว้างปล่าเปลี่ยวมีความหิวความอยากไม่ดูตรงที่ใจเราดูผิดจิตในการที่เราบ่อยกคำพุทโธพุทโธเนี่ยเลยกำหนดกรรมฐานอยู่ในใจเรานี้ต้องเป็นการดึงใจให้กลับเข้ามาดึงใจของตนเองดูใจของตรงว่ากําลังเป็นอะไรแล้วควรจะได้รับการดูแลอย่างไรับ มันต้องไปาาปฏิบัติให้มากง แ, แล้วไปปฏิบัติแล้วมันย้อนไม่เห็นตรงนี้อนนี้กะเอาชั่วมงละ้านาทีก็ได้เลยไรวนขอกันไ่ได้เ มีแั hmm. okay. Okay, ่นทีดีทันหนึงส่งันให้เขาภาษาอังกีษเขาแล้วก้แตรภาาทยที่เขาไปแล้วเขาไปฝึกแล้วก็แล้วก็ไปถชาสตัดจีนไตเลยด้วยเลย ท่าผู้บัญชาการเปลี่ยนไปมาฮะเนี่ยโชคดีมากที่ได้ตายเทียนได้ไตมาคนก็บริจาคดูรักษาใช้ใช้โอกาสที่ได้มานี้ให้เกิดคุณประโยชน์ใช่ชีวิตนี้มันไม่ันไม่ยืนยาวอย่าหมดไปกับก้อนก้อนที่ก้อนกวดก็ตั้งใจว่าชีวิตที่เหลือก็จะยังหมดไปกับรักของที่ผ่าคก็ค่ะ สองเตือนเต็มว่าจะลาไปปฏิบัติธรรทีนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าเวลาที่เราแรกเริ่มเนี่ยเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านเองนะคะเราต้องกำหนดเป็นเวลาหรือเปล่าถ้าเราก็พยายามไปปฏิบัติให้มากที่สุดครับที่เราจะป็นบัตมากคือสตินี่ควรจะเจริญอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตืนมาจนห่างหลับนี่ งานแรกที่เราต้องทำก็เื่อดูใจเราเี๋ยวให้มีสติอีกครับปัจจุบันกำลังทำอะไรจะให้อยู่กับงานที่เราทำอยู่หรือว่าจะตป่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยก็ได้เป็น <Okay. S 1> งานหลักเรากำลังตื่นมาอยู่ก็ลองพยายามทํายู่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไม่ต้องรอเวลานั่งเดียว เวลาปฏิบัตินี่มันปฏิบัติได้ตั้เราตื่นเย่ยตอนที่เราจะลูกจากเตียงยนะะี่ไม่ว่าพุทโธขึ้นมาพุทโธพุทโธแล้วก็ลุกไปไปกับพุทโธไปให้พุทโธพาไปนะ ค, <c oughs> ครับกลับเรียนถามกันเอยในการเจริญสติที่แล้วเมื่อเจริญเดอมากมันเห็นสภาวะที่ละเอียด แต่พอเห็นสภาวะที่ละเอเียดไปมากแล้วเข้าใจกระบวนการทำงานของอาการของจิตแล้วเนมันยังไม่วางเลยเรารู้สึกว่าปัญญ า, าของคงยังไม่พอยังไม่เห็นทุกยังไม่เห็นอไรเยสักสต้องเห็นตัวนี้ให้ได้วา่าเรากำลังทุกกับสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะความอยากเนี่ยเพราะความอยากแล้วเราก็จะตัดความกนี้มากนันก็จะทํายทุกขเกิด อันนี้คำถามทุกท่านกคือว่าบางครั้งเรารู้สึกว่ากำลังของเราเองมันไม่พอที่จะดำเนินแบบนี้ต่อไปก็เลยเกิดเป็ความคิดที่ว่าเราทำดีเพื่ออุทีศควมดีให้แก่บุคคลที่เรารักแต่ก็รู้ว่ากาการแบบเนี้ใจมันมีอา mith ก็เลยไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้มันจะถูกต้องหรือเปล่าคว า, ความดีนี่เราอ่ทิศผู้อื่นไม่ได้ <Okay. S 2> ไมาทำเพื่อตัวเราเอง ผอื่นก็ต้องทำอย่งเขาเองเลกเล่กในการที่เขาเป็นสามภเวสีเขาจะรับเป็นบ้ากซึ่งเป็นส่วนส่วนเล็กน้อยเท่านันเป็นเป็นเี่ยวเดียวของบินที่เราทำดัน้ไม่ควรจะตรงหนเกี่ยวกับเรื่องบุญที่จิตการทบุญนี้ตามหลักแล้วก็ทำเพื่อตัวเราทเ ตอนนี้ผมใช้วิธีคือใช้เงินสติตอนตอนประจำวันตอนกลางันนะครับแล้วก็สังเกตดูจิตมันทางานนะัก็จะเห็นว่ามันเกิดมันก็จะดับมันก็จะถึงมันก็จะจบบางทีมันก็หนวไปคิดบางทีมันก็จะรู้สึกว่ามันตื่นแต้งมันมันโกรธมันอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะด่าไปสุทาอืมเราสงสัยว่าจริงๆแล้วจิตมันคืออะไรครับจิตก็คือความพิกุ่นกันเราพิกรุงนกันไปแล้วก็าตเนื้อารมณ์ต่างๆฟรางครั้รู้สึกว่าจิตมันไม่ใช่จิตนไม่ใช่ตัวเอ่เแล้วไี่ถ้าเราไม่มีสภาวะารรมนี่แต่จริงตัวเราคืออะไรครับไม่เลยเราคือความหลงที่พิกุนขึ้นมาอาันจริงๆเนถ้ามันฟังเล็กูีในความรู้สึกของเรา ความจริงมันตัวเราก็คือตัวรู้ท่านั้นเองจิตใจใจไม่ถูกวิาวชาไปครอบงทําให้กลายจากตัวรู้มาเป็นตัวเราเราต้องแปลงมันกลับให้เป็นตัวรู้เฉยๆให้จักใจว่ารู้เฉยๆไม่ใช่เราดูไม่ใช่เราเห็นเพียงแตม่มีความรู้ความเห็นรู้ว่าอะไรนั้นรู้ว่าเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้ไม่มีตัวเราไปไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มีแต่การรู้รเฉยๆเพราะฉะนั้น รู้แล้วก็ไม่ต้องไม่ไม่รู้แล้วไม่ให้มีด้านมีเสียกับสิที่รู้เพราะอย่านะดูมันไปเรื่อยๆไม่ให้ดีใจไม่ให้เสียใจกับสิ่งที่รู้ที่เห็นคเพราะถ้าดีใจเสียใจแสดงว่าเราหลงแล้วเพราะนอกจากที่เราจะดูดูมันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับเราต้องเราต้องทํำยังไงกันบ้างอีกเปล่ครับคือมันนี่เนเพียงการฝึกมุ่งตรง เพราะว่ามันวันยังเรายังจะต้องเกี่ยวจากอารมณ์ความวุ่นวายกระสับกระใจนั่นคือเราไม่ต่างที่เราจะต้องําจัดมันไม่ได้บางครั้งความห่วงใยความกังวลความวาดกัวความหิวความอยากความต้องการนี่างแหละนี่ท่างหากที่เป็นปัญหาถ้ดูไปเรื่อยๆเราครับมันรู้สึกว่าบางครั้งเอารมณ์ของเราอย่างเช่นบางครั้งมันมีอารมณ์โกรธนะครับพอดูมันไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่ามันเป็นอารมณ์โกรธนะครับ ดูไปสนมันเรา่มจรู้สึกว่าเอานี่มันคืออารมณ์โกรมันจะเบาบางลงเรื่อยๆเราจะไม่หายไปเราก็กลับมาเหมั่นได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ค่ะชีวิตของเรานี้โดยปกติเราจะอยู่ในระดับหนึ่งมันก็จะมีการตรวจดับเกิดดับของ่าเรามณ์ต่างแต่ถ้าเราไปเจอกับสภาวที่มันได้แรงกว่านี้มันจะมีอารมณ์ที่ได้แรงกว่านี้อันนี้เรายังไม่รู้ครับ เราอย่าไปคิว่าการมีสต so so ิแล so we ้วเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับให้มันจะพอมันยังไม่พอเราต้องฝึกที่จะทําให้ใจของเรานีไม่ใจวุ่นวายกับการเกิดดับของสิ่งต่างๆอันนี้เป็นจุดที่เราต้องการคือให้รู้ว่าเกิดดับเกิับอะไรจะเกิดก็เกิดไปอะไระัก็ดับไปแต่เราไม่ต้องไปยินดีร่กับการเกิดทาทํายังไงถึงจะได้จะตัดมันได้แบบนั้นนะครับก็เนี่ยก็ต้องดูใจเราไงเวลาเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเรา นิ่เฉยได้หรือเปถ้าไม่ได้เราก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ในสิ่งที่ทำให้เราไม่นิ่งว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่ได้เป็นตัวตนมันไม่ได้เป็นนายกรนายขอมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าวิเศษอะไรมันเป็นัะไรบ้างมันเป็นดินน้ำนไฟเท่านั้นเราไม่ได้เห็นความจริงของสิ่งที่เราน เราเห็นสมมุติของสิ่งที่เราเห็นเราก็เลยยังน ง, นงติดอยู่กับสมมุตินั้นอยู่นงติดว่าคนนี้เป็นพ่อเราคนนี้เป็นแม่เราดินเขาไม่ใช่เ้าเป็นดินน้ํำลมไฟครับแต่เราไม่เห็นตรงนั้นเราไม่เห็นอาการสามสิบสองเาเป็นเพียงผมเราไปดูใจกับผมเวลาทุกคนตัดผมมันมารวมกันเนี่ยเราไปไปคุกเข่ารวมกันมันก็ผมเหมือนกันนะั่นแหลไม่เหมืเป็นผมของนายกอนายขอมันก็ผมนะ แล้วถ้าเผามันก็กลายเป็นขี้เท่ากันเนี้จะมีน้ําหงไปแต่เราไม่เห็นเราไปติดอยู่ที่สมมุติว่านี่ผมของนายกอผมของนายขอนะถึงไปขอไปย่างเจส่าของครูบาอาจารย์ยังไงเนี่ยไปยังหลงอยู่นี่ก็ดูน้ําหงไปแล้วธาตุนี้ยธาตุไทยพระธาตุพระธาตุ ร่างกายของทุกคนก็มาจากธาตุสิ่งนั้นครับเราไม่เห็นตรงนี้เราเห็นว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเราก็เลยเกิดอุ ป, ปทานความยึดมั่นถือมั่นเราก็เกิดอารมณ์เวลาสิง น, นั้นเกิดอะไรขึ้นเราก็จะดีใจเสียใจไปกับการขึ้นลงการเปลีปย่ยนแปงของสิ่ง น, นั้นครับนี่าการพิจารณาก็จะทําให้ใจของเราวางเฉยกับสิ่งตรงๆเพราะมันก็แค่ดินน้ำลมอากาศนั่นเองเราเปนหลงเขาเอง เรืองคืต้องหมายต้องการปฏิบัติเพื่อให้จิตหนึ่งนไม่กระเพื่อมต้องมีใจรักต้องเห็นใจรัะเห็นรายวิรัติจิเห็นนี้มันคือเห็นของมันเองหรือว่าเราต้องต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาแยกแยกวิเคราะห์เหมือนของในกระเป๋านี่เรามองไม่เห็นเราต้องเปิดเข้ามาดูข้างในว่าในกระเป๋านี่มีอะไรบ้างถ้าัน่งั้นเราจะไปคิดว่ามันมีทองคำมีเงินมี แต่พอเปิดไปดูมีแต่กระดาษตากเสาเราก็ไม่อยากจะได้ละ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเนี่ น, นี่มีแต่เพชรมีแต่ทองนี้เราก็อยากจะได้ขึ้นมาแล้วปัญญาในการที่จะพิจารณาครับจาเป็นหรือเปล่าก็ต้องต้องใช้ปัญญาจากการที่จะเข้าฌานได้ก่อนหรือว่าไม่ไม่ไ<ด>คือคือการพิจารณานี่เราพิจารณาได้ตลอดเวลาแต่มันจะพิจารณาได้นานนานรับต่อเ น, นื่นี่มันต้องมีฌานก่อนมีความสงบก่อน เพราม่เชนั้นแล้วมันจะมีอารมณ์อย่าง อ, างอื่นมาฉุดล่ากเ้าไปมาพิจารณาได้เดียวเดียวกาหนดอาการสามีสองได้ครัง้งสองครั้งก็ไปแล้วซึ่งไม่พอมันต้องกําหนดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี้มันจะทำอย่านี้ได้จิตก็ต้องมีมีสมาธิได้สมาธิก่อนเพาะเมา่อจิตมันนี่งแล้วมันจะไม่มีอารมณ์มาคอยหลอกล่อมาชุดล่ากให้ไปทิ้งย่างอื่นนะครับ เพรนถ้าจะให้มันเป็นภาวนามืยปรรยัญญาเป็นปรรนัญญามีจริงมันต้องมีสมาธิก่อนแต่ไม่ก็มัน น, นะครับว่าเราไม่ควรจะเจริญปัญญาเป็นก่อนจเจริญสุดไปก่อนนะถ้าอาการทามวิามันก่เพราะการข้าอาการสามวิช ม, มันก็จะทาให้จิตมีสมาธิได้และนี่ก็เป็นปัญญาสมาธิเราะในหลสมาธินีน้ยังสามาการในสองที่ต่อเนื่องมาก ว่าเรามองใครเราไม่ได้มองเห็นแต่รายกราฟิก ก, การดำเนินการต่างๆเราจะเห็นของที่อยู่ภายใต้ถึงอย่างนับเราก็จะไม่หลงกับความสูยงามของร่างกายภายนอกก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายไม่หลงยินดีไม่อยากจะได้มาเป็นคู่ครองใจเรขเป็ น, ะ น, นาทายาท ที่เป็นภาที่เขาใหญ่นะคะคือสังเกตดูทุกวันที่ภานาหลังที่สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิคือรู้สังเกตว่าหลังจากที่นั่งสมาธินี้สวดมนต์สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิรู้สึกกายมันเบาใจมันเบาแล้วท่านก็เทศสอนไปด้วยหลายเรเทศสอนเพื่อกายเบาใจเบาแต่ทีนี้มีเพราะว่าเมืนจิดมันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะคือพยายามจะจับดูว่ามันไปอยู่ท่ไหนหรือตัวรู้นะคะว่ามันอยู่ที่ไหนก็จับไม่ได้สักครั้งคือมันเปอยู่ห้าวัน ไม่ได้ว่าจับไม่ได้สักรู้แต่ว่าหลังจากที่เขบอกว่าเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกสลายที่ได้คือมันถึงรู้สึกตัวรู้คือแบบนี้นะคะทีนี้หนูว่าคือจับมันไม่ได้ว่าตัวรูต้ตรงที่มันจะรู้ว่ามันหายไปหรือตรงนั้นมันไปอยู่ที่ไหนจะเป็นต้องไล่เตาไหมคะไม่ไม่ต้องการเพราะเหมือนตะคุ่เราถ้าพยายามตามตัวรู้นี่มันก็ปูนแตแงเราต้องหยุดความปูนแตงแล้วตัวรู้มันก็จะปรากฏขึ้นมาเอง สังเกตด้วยตอนนั้นเหมือนว่ากายเบาใจเบาแล้วนั่นแหละก็คือตัวรู้อยู่ตรงนั้นน่ยอยู่ที่ที่กายเบาใจเบาอยู่ตรงนั้นให้รู้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปตามอะไรตัรู้อย่าไปตามอะไรตัวรู้ให้อยู่กับกรรมฐานที่เรากําหนดไว้ตราใช้อะไรเป็นตัวเป็นตัวควบคุมใจกําหนดแล้วก็ให้อยู่กับองตัวนั้นๆว่ามันก็จะโผล่ตรงนั้นมันจะปรากฏขึ้นมา อย่าไปการถ้าไปการนั้นมันเกระตามเงาตะคุกเงามันก็จะมันก็จะขยับไปข้างหน้าเราอยู่เรื่อยตัวรู้นี้จะปรากฏต่อเมื่อใจมันหยกตรันนิ่งมันสงบมันก็จะสั่งแตว่ารู้ขึ้นมาเพราะยัง้ตัวนั้นเราไปทำเราไม่ได้มาไปไปยุ่งกับมันทีที่เราทําได้ก็คือพุโธพุโธไปอย่างเดียวพุทโธลงไปอย่างเดียวเรามาถึงถึงตัวนั้นแล้มันจะเผยขึ้นมาเอง เหตุที่หนูคิดถึงตรงนั้นเพราะว่ามีความไม่สวดโาวันจะขาดสติแล้วเราไม่รู้อะไรเลยตรงนี้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีสติตรงนี้มันไม่ขาดถ้ามันจะขาดสติมันก็แสดงว่าสติเรายังไม่ดีพอก็เป็นการกลสบงบหลับไปก็ได้ถ้าจะขาดสติก็ต้องแบบหลับแล้วนงันงสมาธิแล้วคอทับไปอันนี้เรียกว่าสติไม่มีนะ คือเสียงยังได้ยอยู่เบาๆเลยไม่รู้ความหมายของเสียงที่พูดมาอย่างนี้นะคะถ้ารู้ว่าเสียงแต่ยังรู้อยู่ก็ก็ก็แสดงว่ายังมนจะติกายก็ยังไม่ใส่ถ้าถอดแล้วเสียงก็จะไม่จะไม่จะไม่ไมถึงแ ม, ม้ว่าจะได้ยินกายจะกายจะไม่ไปเกาะกับเสียงกายจะอยู่กับอยู่กับตัวรู้อยู่กับความสงบ จาตการกับเวลาที่ใจไม่สงบนี้เวลามีเสียงอะไรใจจะไปปรุงแต่งกับเสียงนั้นด้วย <c oughs> แต่เวลาที่ใจมีความสงบนะถึงแม้ว่ายังได้ยินเสียงอยู่แต่ใจจะไม่ไปปรุงแต่งไปไปสนใจกับเสียงนั้นตามกันเพราะฉะนั้นหลักสําคัญก็คือเสียงจะเป็นยังไงไม่ไม่ต้องสนใจรู้เยรู้อยู่ตรงนั้นอยู่ถ้าเรายัง <c oughs> บริกรรมอยู่ <c oughs> ก็ต้องอยู่กับการบริกรรมไปถ้าเราอยู่กับลมก็ให้อยู่ลมไป อยู่ไปจนกว่าเหมือนจะนิ่งความมันนิ่งแล้วลมก็หายไปการบริกรรมก็หายไปก็จะเหลือแต่ความรู้สึกว่างอยู่ในจิตความว่างสักแต่ว่ารู้เนี่ยเนี่ยคือตัวจิตเองมันไม่เป็นจุดเป็นอะไรมันเป็นความว่างความความเบาความสบายความสุขส่วนใหญ่มันจะเป็นตอนที่มันวูบลงไปถึงจะ นี่ก็ตกหลุตกบอ่อแล้วก็นิ่งไปเราดูลงไปดูลงไปนะครับลมหายใจหายไปขาดขาดใจตายอย่างนี้ครับมันก็ลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วมันก็จะนิ่งสงบถ้าดูลงจะเป็นางินถ้าบริกรรมมันก็จะเหมือนกับวุบตกไปตกไปในเหวตกหลุมตกบอ่อแล้วก็จะนิ่งไปคำบริกรรมก็หายไป ซึ่งจุดที่ท่านพูดถึงตรงนี้ไม่ใช่พวังใช่ไหมคะไม่ใช่นะมีคนถามว่าถ้าเจออย่างแล้วทำยังไงต่อก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นถ้ามันนิ่งก็ให้มันนิ่งให้นานที่สุดอย่าไปยุ่งกับมันะตอนนั้นมองก็มันตอนนั้นถ้ามันถึงนั้นมันไม่ถามไม่ต้องถามนก็รู้พนเรามันเจอความสุขเรามันไม่อยากจะไปแล้วที่ อะตรงไหนเขาเรียกว่าการสืบเออให้มันเจอเลยไม่ตอนนี้ไม่เจอเราก็ถามเองก่อนถามนี้มันไม่ต้องมันไม่ต้องถามหรอกเพถ้ามันถึงจุดนั้นแล้วมันจะรู้เองจะรู้เองว่าอ๋ออ๋อที่รัตติสันติพลังสุขขังเป็นยังไงเกิดเองที่เหนือกับความสงบนี้ไม่มีจะรู้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วย นกกระจอกกินน้ําแค่วุบเดีย ว, วมันก็ถอนออกมาแล้วแต่มันความรู้สึกนี้มันจะผัสพับใจใจกระทําให้ไ ม, ไม่ไม่ลืมเดือนจากจิตจักรใจมันจะเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นจุดล่ากให้เราทําให้มีมากนถึงจุดนั้นแล้วที น, นี้เข้าใจว่าทําไมจะต้องเล่นความเพียรทําไมถึงจะต้องตัดความสุขอย่างอื่นไปเพื่อที่จะเอาเวลามาสร้างความสุขแบบนี้ให้มีมากขึ้น ตาม น, นั้นก็จะเริ่มตีควิเวกนะจะออกจากสังคมนะจะไม่จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆอยากแ <c oughs> ะ่าที่สเน็บหามุมสเน็เพื่อภาวานา <c oughs> เพื่อให้จุดนี้มันมีควาสมสงบอย่างนี้มากขึ้นบ่อยขึ้น <c oughs> แต่เมื่อถึงจุด น, นั้นแล้วก็ควรจะสลับกับการเจริญปัญญาไปด้วย <c oughs> วเวลาออกจากควาสมสงบนั้นแล้วก็ให้เจริญอาการสามจุดสองไปก่อนเจริญ เกิดแก่เจ็บตายเกกิดทั้งตัวเราและตัวตัวคนอื่นร่างการของเราและอ่างกายของผู้อื่นโดยดูอาการสาสิบสองของเราและดูอาการสามสิบสองของผู้อื่นโดยดึงสภาพเวลาที่ร่างกายแล้วตายไปแล้วเป็นซากศพไปนั้นเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ก็ไปดูภาพที่เขาถ่ายมาให้ดูบ้างก็ได้ว่านี่คือร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นที่เราหลงรักเราแสนจะหวงแหน เพอเขาแข็งอยู่ในสภาพนั้นเราก็ไม่อยากจะได้ เ, เพื่อคลายความกําหนัดจริงดีคายความยึดติดแล้วต่อไปเขาะจะเป็นอะไรเราก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเต็มเราก็จะไม่ไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวปัญหาที่เราปฏิบัติทั้งหมดที่เราต้องการจะแก้ก็คือความทุกข์ในใจในี้งนั้นเองที่เราพิจารณาต่างใจ เพื่อให้เห็นนี้ไม่ได้เห็นเพื่อจะให้ตัดแต่ว่าเห็นให้เห็นแล้วทําให้ใจเราสบายทําให้ใจเราไม่วุ่นวายทําให้ใจเราไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นนี่ต่างหากที่ผลที่เราต้องการก็คือใจที่ไม่กระเพือกับการสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่จะมาสัมผัส ด, ด้วยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีหรือ หรือรานก็ต่างก็จะรู้สึกเฉยๆใจไม่ได้ไปได้เสียกับเหตุการณ์ต่างๆนี้ือก็เราดูฟุตบอลเนี่เราเชียร์ทั้งสองฝ่ายได้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายนี้ชนะเราก็ได้ฝ่ายนี้ชนะเราก็ได้เราอย่าไปเชียร์ฝ่ายเดียวเนี่ยถ้าเชียร์ฝ่ายเดียวถ้าฝ่ายที่เราเชียร์แพ้เราก็เราก็เศร้านะแต่ถ้าฝ่ายที่เราฝ่ายฝ่ายที่เราเชียร์ครัชนะเราก็โหดีใจ อันนี้มันก็ไม่ดีมันก็เป็นการกับเครื่อนของจังแต่ถ้าเราดูแล้วก็บอกมันก็ต้องมีแพ้มีชนะสักฝ่ายหนึ่งแม้มันก็เสมอกันดูไปแล้วมันก็เฉยๆพอดูแล้วอย่างเงี้ยมันต้องผลมันจะต้องเป็นอย่างนั้ถ้าฝ่ายนี้แพ้ฝ่ายนี้ก็ต้องชนะถ้าฝ่ายนี้ไม่ไม่ชนะไม่แพ้ก็มันก็ต้องเสมอกันแค่ทำนั้นเองแล้วเราดูอะไรแล้วก็อย่าไปดูแล้วเกิดความลักเกิดความชังขึ้นมาดูแล้วให้ให้รู้ว่าเราดู เราดูสิ่งที่เราไม่มีอะไรที่ต้องไปรักไปจังเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดูนี้มันเป็นตายรักเท่านั้นมันเป็นอนิจจังมันไม่เทีย่ยงมันไม่เป็นอย่างนี้ไป ต, ตลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติด <c oughs> ไปเชียร์เขานไปเชียร์ขเรขาแล้วกเกิดเขาแพ้เราก็เสียใจถ้าเขาชนะก็อยากให้เขาชนะไปเรื่อยๆซื่งมันก็เป็นแต่เวาแล้ววันหนึงเขก็ต้องแพ้อยู่ดี แล้วเขาก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเขามาจากดินน้ำมันไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นโลกโลกนี้เป็นโลกกระทานมาจากธาตุสี่ผสมกันให้เป็นรูปมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกนไปมีคือใจรักอันนี้ช่างทุกขาาาก์ขันรักษาให้พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วใจจะเป็นกลางใจจะไม่รักไม่ชังไม่ยินดีไม่ยินร้ากับสิ่ ง, งต่าง นี่ต่างหาที่เราต้องการผลก็คือใจที่สงบไม่ก็เพื่อมกับสิ่งต่างๆที่ที่ได้สัมผัสรับรู้แต่ต้องสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสสัมผัสรับรู้นี่มันเป็นอะไรกันแน่ตอนนี้เราไม่รู้เราหลงเราคิดว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราเป็นของเราแต่นไม่ใช่ไอ้นี่เป็นความหลงที่นั้น เราต้องรู้ว่ามันเป็นเพียงอาการสามจุดสองมันเป็นดินน้ำนํำลมไฟมันเกิดแก่เจ็บตายพอรู้อย่างนี้ต่อไปเราวลามันเกิดแก่เจ็บตายมันก็จะไม่เกิดอาการอะไรขึ้นมาในใจเร า, าตอนนี้อืมแล้วก็สามารถวัดคนนี้การปฏิบัติของเราได้ด้สิ่งนี้เหมือนกันก็ดูที่ตรงใจเราเนี่ยว่าใจเราก็เพิ่มรู้ปะ อะไรออกไปได้บ้างน้อยแค่ไหนวางเฉยได้แค่ไหนปล่อยวางได้แค่ไหนเราประเมินได้ไ เ, อออเองใช่ถ้าเรายังมีการยินดีมีความอยากเราก็จะต้องมีความกังวลกับสิ่งนั้นใช่ไหมเช่นเราอยากกาแฟเนี่ยเราก็ต้องกังวลว่าถ้าเกิดกาแฟหมดจะทำยังไงก็ต้องคิดนะสต๊อกกาแฟไว้ก่อนนะคนที่ติดกาแฟมากๆนี่ยต้องมีเพื่อะไรติดต่อ <laughs> กาแฟน้ำตาลน้ำร้อนเ น, นี่ยตพร้อมอีกทั้งแต่ถ้าเราไม่ไปมีความยินดีไม่มีความอยากได้แล้วว่าดื่มไปกระแถวนั้นไม่ดื่มกระแถวนั้นไม่ดื่มก็สบายเหมือนกันดีกไ็ไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาคอยคอยคอยคอยสต๊อกมังคอยหามานันมาเรื่อย เวลาเรื่องบเรื่องที่ยังทาใจเราอยู่อ๋สมาธิแล้วก็หยิบใช้ปัญญาหยิบเอนาไปส้าธมันจะไม่ต้อง่อยว่างได้ไม่ต้องไม่เป็นปัญหากับใจของเราก็ะหมาดีละเรื่องแล้วก็ไปจไปเรื่องใดที่มันเป็นปัญหาทาใจก็ต้องใช้ปัญญามาวิเคราะห์ใช้ตายรักเข้าไปดูให้ถ้าเห็นตายรักในในเรื่องนั้นแล้วมันก็จะจบถ้าเห็นอวิยะศาสตร์คือปัญหาความอยากฟะอ๋อเราไปอยากเขาเองถ้าเราไม่อยากก็แล้วไม่มีความหมายอะไร พออยากเขาก็มีคุณค่าเช่นเดันคนที่อยากอยากสูบกัญชานี่กัญชาก็มีคุณค่าเช่นมดันคนไม่สูกไม่อยากสูบกัญชาก็ไม่เห็นมันจะมีคุณค่าอะไรถ้า เ, เป็นโทษที่ต้องเนี่ยต้องพิจารณาการพิจารณานี้เพื่อสอนใจใ ห, ให้ใจฉลาดรูด้ทันว่าใจยังหลงอยู่กับชิตงต่างๆว่าดีว่า ว, ว, ว่าว่าว่าละเอียดว่าอย่าว่าอะต่างๆน้่มันเป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นนี่ยคาจริงแล้วมันก็มาจากาท่าตีเท่านั้นแล้วมันก็ไม่เที่ยวแล้วมันก็ไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงมันให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุขทนันทีแล้วมันก็จะปล่อยวางได้อยู่แบบไม่มีอะไรได้ไม่ต้องมีอะไรไมีเงียบสบาย อยู่คนเดียวไม่ว่าวเลไม่เปล่าเปลี่ยนใจจิตที่สงบแล้วมันได้ปรุงแต่งความว้าวเวยความเปล่าเปลี่ยนใจนมันเกิดจากความปรุงแต่งทของจิตเองหลังคานี่มันละเอียมากบางอย่างมันก็อยากความที่ของเราเรื่องอยากอยแต่การปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นนี่มันละเอียดถ้าถ้าเราจะไม่รู้สึกตัวเลยเกิดขึ้นมาบางวันนี่รู้สึกเจ้าข้อหน่อยๆขึ้นมาโดยไม่รู้รู้สาเหตุเลย แล้วเมื่อวันตื่นข้นมาก็สดชื่นแ จ, จ่มใสมันมาจากความคิดปรุงแต่งนัง่นแหละแต่มันละเอียดมากมจริงๆก็มันมีสายเด่นใช่ไหมยมันก็เป็น<ล>นิสยัยก็มันเป็นนิสัยเราชอบคิดปรุงแต่งนัง่นแหละแล้วก็ปรุงแบบนั้นไปถ้าเมน่งวันตืนมาแล้วเรารู้สึกรู้สึกโอ้มันหลุดเหยียดแังเลยเนี่ยเราควจะค้นหาเราควจะค้นหาว่าเหตุผลของมันคือะไร่ทหถ้ามีปัญญาค้นได้ก็ค้นไปดูถามตัวเองว่าร่างกายไม่สบายว่าฝ่า ป, ปวดท้องว่าฝ่าปวดหูว่าฝ่า เรื่องกำลังห่วงเรื่องอะไรกังวลกับเรื่องอะไรถามตัวเองว่าถ้าไม่มีก็ช่างมันก็หาไม่ได้ก็พูดโธพูดโธรไประงับมันไปก่อนให้มันหายเองหรือใช้ปัญญาว่าไม่เป็นไรมันก็แปนงนิจังเหมือนกันอรู้ว่ามันไม่ดีก็รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่ามันไม่อยู่ก็ได้ไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันก็ได้ก็ดูมันว่ามันเป็นตายรักเหมือนกันตัวอารมณ์นี่มันก็เป็นตายรักเหมือนกันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอด อารมณ์ดีมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดให้เวลาันไหอารมณ์ดีก็อย่าไปอยากให้มันดีไปตลอดเพราะมันจะเกิดทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาในใจพอเกิดความอยากพอมันจะพอมันจะหายไปก็จะวุ่นวายใจขึ้นมางันก็ต้องรู้ว่ามันก็ดีก็เดี๋ยวมันก็หมดไม่ดีเดี๋ยวมันก็หมดเรารู้ก็รู้ไปท่านมีหน้าที่รู้ก็รู้ไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่ดีมันก็จะหายไป เพราะตัวรู้นี่มันจะรู้เฉยๆมันไม่จรงกันอันนี้เราลองดูปฏิบัติหนึ่งมันถึงจะรู้อารมณ์นี้มันมันเกิดจากมาทางละมันมีเหตุที่ทำให้มันเกิดได้หลายได้ันมาทางตาหูจมูกลิกายก็ได้เห็นอะไรสัมผัสอะไรมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้อากาศร้อนมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้อากาศหนาวก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ ร่างกายหิวมันก็เกิดอารมณ์ขึ้น bağ, to, มาได้นอนไม่พอมันก็เกิดอามได้เคยดือดอะไรแล้วไม่ได้เดือดมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้มันมีมาหลายทางอะไรที่เราเราคิดว่าเราตัดต้นเหตุไี่ได้เราก็ต้องตัดเช่นเราเคยติดอะไรเคยดือดอะไรเคยกับอยากับอะไรพวกนี้เราก็ต้องตัดให้มันหมดไปมันจะได้ไม่มีอารมณ์แบบนี้ตามมาแต่เรื่องที่เราตัดไม่ได้เช่นลูกเสียงกินรดที่เราต้องเห็นต้องฟัง แล้วเกิดอารมณ์เราก็ต้องใช้ปัญญาสองว่ามันเป็นแค่ใจรักหรือเป็นแค่ดื่น้ำหลืไปแล้วถ้ามันียังมีอารมณ์ที่ราหาตาเหตุไม่ได้ก็ดูไปว่ามันก็เป็นตายรักเหมือนกันอารมณ์ดีก็เป็นใจรักอารมณ์ไม่ดีก็เป็นใจรักมเดี๋ยวมันก็หายไปเราไม่ต้องไปจัดการกับมันก็ได้ไม่ต้องไปใช้ปัญญาไปแยกแยะว่ามันเกิดจากอะไรก็ได้หรือถ้ามีปัญญาใช้ได้ก็ดีเพราะมันจะได้หายอย่างถาวร ถ้าไม่งั้นมันก็ยังจะกลับมาใหม่ได้แต่ยังง้าย น, นปัจจุบันถ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะนั้นก็เพียงแต่รู้ว่ามันเป็นไปแล้วก็พอก็มีเพียงที่ว่าตามรู้ไงตามตามรู้ด้สติรู้ว่ามันเกิดแล้วดับรู้ว่อมันเกิดแล้วดับแต่มันจะไม่หายไปอย่างสาววอเพราะเราไม่ได้ไปแก้ต้นเหตุของปัญหาคือความหลงมันมีความหลงไปมันไปหลงคิดคิดติดพันอยู่กับเรื่องอะไรเล็กๆที่เรา ยังไม่รู้ทันถ้าเรายู้ทันว่ามันเป็นหลวงเตจเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็เาไปวิเคราะห์ด้วยว่ามันก็เป็นเพียงใจลักเป็นดินหน้าลงไปแล้วต่อไปเรื่องนั้นมันก็อารมณ์ลหลานนั้นมันก็จะไม่มาต่อไปส่วนใหญ่ก็คืออัตราตัว ต, ว ต, วตวนนี่นแะหละนลวงในตัวนี้นลวงมีมาณนะถือตัวหรือว่าเราดีกว่าเขาสูงกว่าเขาเด่นกว่าเขา ถ้าเกิดเขาดีกับเราเด่นกับาเนี่ยเราก็ไม่พอยใจแล้วงั้นเราต้องมาแก้ตัวนี้ให้ได้แก้ตัวการถือถืออัตตาตัวตนถ้าเราก็คือธาตุรู้เท่านั้นเองร่างกายก็คือธาตุจีเหมือนกันเ้าก็ธาตุจีใจเราก็ธาตุรู้ใจเราก็ธาตุนี้ร่างกายเราก็ธาตุจีเหมือนกันไม่มีอะไรสูงกว่ากันไม่มีอะไรดีกว่ากัน อันนี้จังทุกครั้งว่าน่าตาเหมือนกันเกิดจากจุดตาเหมือนกันคิดอย่างนี้แล้วมันมก็ตอบตาก็ก็ไม่ไปสนใจใครจะเด่นก็เรื่องของเขาเด่นก็เป็นเด่นนะในทางด้านสมมุติเขาอาจจะมีความสามารถทําตัวให้เป็นนายยกขึ้นมาได้ก็ปเป็นไปเขาบวชเป็นพระผางได้ก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ต้องไปดีใจไปเสียใจไปช้าอะไรของเขาเรามีหน้าที่ทำตัวเราให้ดีก็แล้วกัน เราต้องทําเลยลก็ทําที่ตัวเรานี่เองเนี่ยเรื่องของคนอื่นก็เรื่องของเขา<ม>ถ้าดีการนุโมทนาให้มีมุติตาจิต<ม>เราก็อิจฉาใทิสยา<ม>ถ้าเขาได้ก็ให้มีความสงสาร<ม>ถ้าช่วยเยลือกันได้ช่วยเยลืกันไป<ม>แต่ก็จะชื่นชมยินดีจะมีความสำเร็จในบุญคุณหรือไม่นีนนะ่อย่าไปหวัง อยากไปหวังเป็นผลตับแทนก็จะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาทำแล้วก็ขาดไปจากใจเ้าทำไปเพื่อเข า, าไม่ได้ทำเพื่อเราไม่ต้องการเลยจากเขาสบายเลยคนะ <c oughs> จะตกเรื่องเนี้ยก่อนนะก่อนนะ จัถ <t od ic |ms|> ึงของจะได้ลืมยะพาวาลวะาตุลาสลิตุระมติสักลังเอวเมวะอิโตเินยงเปตังนังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจะตุสัพเพภูรินตุจังกะปาจังโทปนาละโสยะถามมนิโทติ พระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพทโรโควินัสตุมาเปย์ภาวะวันตรายูสุทีทิพาโยภวะอาภีวะทันสีฤทวิ์มิจยมุตตาปจาวิโนจตารูธมาวทาติอายุวันโนสุขัภาลังสาธุ เมื่อวันพระที่เก้าที่ผ่านมาโลกลึงถึงสิแปดแล้วค่ะแล้วก็ได้แปลวันลุงคืนเพราะว่าไม่ได้ดูตอ น, นคืนมาเปาน็นวัาพระแต่ว่าเราก็ตั้งใจจะถึงสิแปดวันท้าเป็ว่าข้าม้าห้าวัปีแล้วค่ะแล้วแล้วืมเ ล, ล, ลค่ะเราก็เลย มาดวตุ้งขคืนเตอร์คือถืออิ่มแบบแบบคือชดเชยได้ได้ค AH ่ะแต่ต้องชดเชยสองเท่าที่การลงโทนจะได้ไม่ลืมมาางั้นจะได้ไม่ลืมของหนูก็ชดเชยห้าอวานูวันสกานก็ก็ทานข้ามื้อเดียวได้ได้ไม่ลืมลงโทษมันจะได้เฉดลรวหนูรื่แล้วคถ้าไม่ลงโทษมันจะชอบลืมมันเรื่อยๆนุกคั้งหนึงก็เลยพี่ก็บอกว่าไม่ต้องเท่า วัเพื่อเดินผ่านเวลาแต่เพื่อเป็นการตามความงงลืนในคราวหน้าเราต้องลงโทษกันให้หนักไม่เดยเลยปกติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ลืมแล้ววันนั้นไม่ได้ดูก่อนีกที่หลวงอเีย่างหลวงพ่อท่านเคยลงโทษกันใตามสมายที่ท่านทำให้ปฏิบัติ่บอกว่าท่านพอล้างบาทเสร็จแล้วเกิดความผิดพาขึ้นมา เสจเครื่งล้างบาตรเสร็จหมือนกัแล้วก็แบบว่านี่ถ้าหวยวนี้ต้องไม่ถึงสามวันต่อไปแล้วมันไม่ก้าหิวแล้วพราิวไม่ออกมาจัดใจไม่ออกมาจักายอันนี้ก็เหมือนคาเดิมมันก็ออกมาจัดใจไม่มมออมต้องดับความดิมแล้แก้ควาามตาล ง, งโมันใชไหม ก็าเคยเขเคยห้ามวันแม่บอกแม่ว่าห้างวันีไม่ตายหรอกกอดข้าวเย็นนี้เดียวไม่ตาย พอดีที่บ้านก็มีเป็นบ้านเช่าเหมือนกันนะคะท่านาอนาจารย์ก็เลยลองไปทําที่ท่านอร์พูดกี่ท่านอาจารย์เด้กค่ะเรามปอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ต้องไปวัดจะได้เหมือนกันเนพราะเราต้องการสถาวที่วิเวศท่านอย่างอื่ไม่มีใครมารบพวนก็อยู่ได้สองสองคืนเนยคะคือไปเดินจงกรมแต่ว่ากลับนอนในบ้านแต่วันอีกคืนหนึ่งอนะดันไปเจอตุ๊กแกนะคะท่านอาจารย์ na oh. เจอตุ๊กแกแล้วก็พอเจอตุ๊กแกเขามีเกิดความกลัวว่าเฮ้ยกลัวตุ๊กแกอย่างเงี้ยขนของกับไปนอนในบ้านนีกหวาดตเราใหญ่ก็มันต้องหายเท่าเลยคนมันทำให้เราได้แล้วหนูก็ ก, ก็ไม่ได้ใจโทษทำไ ม, ม, ไ ม, ไมต้องกลัวด้วยเล ย, ยอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเกิเป็นสัตว์เลี้อย่างเงี้ยสมมุติเป็นกระรอกตัวน้นอยๆเราก็ยังไปจับมันได้เงี้ยแต่พอมันเป็นตุ๊กแกเราก็เลยกลัวมันอย่างงี้ยหรอเราก็ก็เลยจูกไม่กลับบ้านคล้วเรียบเทียบ สิทุกอยรมันมีอะไรที่เราไม่มีมันมันก็มีหนังมันก็มีหนัง หนังมันมีสีสันแล้วก็แล้วก็ทาสีสันในหนังเรามันไก่ทาหน้าทาปากมันเห็นเรามันก็คงจหน่ากลัวมันแล้วมันก็ลงลงคือมันลงมาที่พื้นที่เดินตรงกลมด้วยนะคะท่านจันมันจะลงมาทักมากินไสเดือนเอ้กิ้งกืออย่างเงี้ยจ้าถ้าจะจับมันดูเลยหนึ่งก้าวหนั่งก้าวมันน่ากลัวกระเป๋จับมันเลยโอ้โหโอ้โท่านจันหนูนะจะได้หายกลัวงนกลัว กลับบ้านหรืออยู่ต่อกลับบ้านหรืออยู่ต่อก็สู้กันต้างนานมันกลัวมันทําอะไรเราได้แล้วไม่ต้องเรียสมบ้านด้วยมันกลัดเรามันฆ่าเราได้แล้วเปล่าเราฆ่ามันได้มันมันน่าจะกลัวรเรามากกว่าเรานหนูมันเป็นโดดกอดคอเ้วเป็นไงให้มันกอดด้วยเลยแล้วหนูก็เลยเนี่ยแหละความกลัวนี่เป็นเป็นปัญหายเป็นยุทธวิธีปัญหาที่เราจะต้องแก้ให้ได้เราต้องหัดรักมันหัดชอบมัน นูก็นึกเปรียบเทียบดูว่าทําไมสองคืนก่อนเนี้ยเราไม่เคยเห็นเขาแล้วเราก็เดินชิดฝาผนังตรงที่เขาอยู่เลยเนี้ยทําไมเรากล้าเนี้ยเพราะเร<ม>าไม่เห็นตัวลยว่าเขาหน้ากลัวตรงไหนไมีอะไรน้ากลัวบ้างพ่<ม>าทาอะไรเราได้ใก้เหตุใกล้ผลเลย หนูก็เลยก็เดินไปฟังกันให้หลงตาไปกลาวว่าสองกันสูกแค่สองกันเท่าน João, <two> <c oughs> so ั <debug wore cited> <m uch in> <Harrison> ้นอะไรเงี anyway, ้ยแล้วก็เดินอย่างเร็วเลยไม่คิดชีิตเดินเร็วมากแล้วก็กลัวเหลือไปมองทีนึ่งอย่างอยู่ที่ฝาผนังแล้วก็สองกันก็โอเคอย่าไปอยากให้เขาอย่าอย่าไปอยากให้เขาหายไปนะพระเจ้าถอดเก็บแล้วมั้งเพื่อน คืออย่าไปอยากให้เขาหายต่แล้วก็ไม่จำเปกลัวเขาเพราอยู่ก็ปล่อยเกาอยู่ไปตางก็ตายทายเมต่อตายเขาเขาก็เป็นเขาก็เป็นขันห้าเหมือนเรามีรูปเวทนาจัญญาสังสารเหมือนกันเป็นแต่รูปเขาก็บรูปเรามันไม่เหมือนกันนี่เองเราก็น่าเกลียดในสายตาเขาเขาก็น่าเกลียดในสายตาเราทําไมเราไม่กลัวร่างกายของเราเราไม่กลัวร่างกายของเขาทําไมจใช่ไหมหนูก็พยายามสอนตัวเองถ้าเป็น จัดอย่อื่นที่น่ารักน่ารักล่ะทําไมเราถึงไปจัดต้องได้ทําไมเป็นตุ๊กแกเราถึงต้องกลัวด้วยสอนอยู่นี่ยนะสอนสอนมันชอบมันอยู่คอนเทอจับตัวมันเข้ามาเล่นกัมันดู้มันจะจับท้าทางค่ะไมนไม่เป็นไรเราถ้าเรารู้เป้าหมายแล้วว่าเราต้องต้องต้องทำคือเราต้องเราต้องไม่ลังเกียจเรา ไ, ไม่ไม่ไปไปไ ป, ไปกลัวเขาเราต้องหาวิธ พิจารณาด้วยเหตุผลอย่างน้องจ้าท่านสอนในปฏิปทานที่ชวเวลาท่านกลัวเสือท่านก็ให้แยกเก็บเทียบร่างกายของเสือกับร่างกายของเราเสือมันมีขนเราก็มีขนมันมีเล็บเราก็มีเล็บมันมีฟันก็มีฟันพิจารณาไล่ไปเรยก็มีอย่างนี้ที่มันมีเราไม่มีก็คือมันมีหางเราไม่มีหางเราไปกลัวหางเสือหรอแค่นั้หรอหวก็เจ็บพอพิจารณาไปเรื่อยแล้วความกลัวมันจะหายไปเอง อารมณ์นี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมามันถูกฟังลึกมามันถูกถูกฟังมาตั้งเต่เดตั้งแต่ร้ายพหลายชเร า, าจะชอบสิ่งที่สวยงามถูกใจเราถ้าเราจะเกลียดสิ่งที่ไม่สวนงานนเราต้องวิเคราะห์ลึกไปกว่านนว่าเขาก็มาจากเ น, นื้เงินเหมือนกันเราก็มาจากเนืงินเหมือนกันะั้นน้หนังเขาก็หนังเราเหมือนกันเนื้อเขาเนื้อเรานั เ็แต่ขนาดเท่าขนาดเราไม่ไม่เท่ากันใช่ปัญญาแยกแยะเก็บเสียวแล้วต่อไปมันก็จะมันก็จะหายเนี่แหละปัญญาวิจิตแก้ต้องมีงันใจของเราก็รัก่าหลักฐานนะพราะก็ตอน้รถูกกล่าวว่าถ้ากระหน่หนีกลับไปนอนที่บ้านโอถ้าถ้าวันอื่นคงไม่กล้ามาแน่ถ้าถ้าแพศิแล้วมันจะไปทำอะไรกินได้ไม่กลั ปัญหาแบบนี้โหมันน่าจะไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยไมครับจะเป็นสิวันครั้งแรกขอคำแนะนให้มีสติไว้เลยอย่าอย่าไปอย่าไปอาณาคอย่าไปเาดิดให้อยู่ที่เรอยู่ตรงไหนให้จิตอยู่ตรงนั้นอย่าไปจูงแต่ถ้ามันจูงแต่งเราล่งกลับมาหาพุทโธพุทโธกันหยุดความที่จูงแต่งไแล้วอย่าไปคุกคีอย่าไปคุยกันมากจนเกินไปพยายามตีพื้นแยกกันอยู่ ยังไงเดี๋ยวห้องดีไหมันตาถ้าดีไงบ้างอ่านั่นแหละธาตุขันก็เป็นอย่างนี้อันนี้จางไปเป็นใบตาดาราของมันเป็นด้วยกันทุกคน ของเราและของท่า น, นากน็เป็นเหมือนกันไม่มไ่ใช่จะเรียกอะไรที่จะต้องตื่นเต้นบาดตัวใจเราก็รู้ไปตามความจริงเอาความจริงนรรี้มาสอนให้เราอย่าประมาทหลัานเป็นของไม่เที่ยงร่างกายดัง้นเวลาที่เรามีน่ากายที่สมบูรณ์แงแรงนจะเอามาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม ให้กลาวหลุดคนแล้วเขาหลุดแล้วที่สายแล้วร่างกายจะเป็นยังก็ไม่เปคนไรร่งางกายที่เป็นเครื่องมือใช้ทำงานทากิจการ อ, อยู่คนนึงอย่าไปอย่าไปใช้ร่างกายกับเรื่ององะไรอื่นกจากที่มันจําเป็นอยู่คนนึงอะไรจำเป็นก็อย่าไปท่องเสีย มานะมานะที่ถืตอตนว่ยดีกว่าเขาเนี่ยกับอาจารย์จริงๆก็รู้เร่อาาตัวนถ้ามีตัวตนมันก็ต้องมาถือว่าดีกว่าเขาแยกเขาแล้วก็เปรียบเทียบ็นคนนั้นเขาเก่งกว่าเราก็เราก็ทาให้เรารู้สึกได้ใจว่าไม่สบายเพราะมานะนี่นมันอยากจะเด่นกับเขาอยู่น่ ถึต้องมีการแข่งขันแย่งตำแหน่งกันแย่งกันไปทำไมแล้วได้แล้วที่ไหมันปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเห็นปัญหาของมันเองเพราะมันมีอยู่เยอะแยะแต่เรามองไม่เห็นปัญหาเองเพราะเราไม่ได้มองที่ใจ คำลองที่ใจแล้วเราจะเห็นความวุ่นวายความความความทุกข์ความกังวลความไม่พอใจอต่างๆีลยเป็นเป็นตัวที่เราจะต้องแก้เป็นสิ่งที่เราต้องแก้แล้วมันก็มีเหตุหลายอย่างที่ยกาลูกเสียงจิดนอตนี้ก็เป็นเหตุได้ความอยากที่เราในสิ่งต่างๆก็เป็นเหตุได้มัมีหลายอย่างที่มันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้สัญญาดูแยกแยะ เปนเรื่องเมังเพราะมันไม่ได้เกิดทีเดียวพร้อมกันเนี่ยมันก็มันก็เกิดในขณะหนึ่งเมื่อเกิดได้เมื่องเดียวหรือในแต่มันอาจจะมีหลายเรื่องเข้ามาหลายขณะสลับกันได้งนันก็เป็นหลายเรื่องได้แต่เราก็พิจารณาวิเคราะห์แยกๆกันถ้ายังไม่มีกําลังก็ทําให้มันสงบให้มันนิ่งไปก่อนจิตยาสงบไปก่อนพอจิตสงบแล้วมีกําลังแล้วค่อยค่อยมาแยกแยกที ถ้าสมาที่ไม่มีกําลังมากเราก็แยกแยะไม่ออกการนั้นก็อยากขึ้นไปแยกแยะได้ทำจิตให้สงบก่อนพอจิตสงบแล้วออกจากควาสมสงบนี้ทีนี้ก็จะมีกําลังถ้ที่จะแยกแยะได้ถ้าอยากแยะไม่ได้ก็บีก็ต้องอาศัยการถามผู้อื่นที่ผ่านมาแล้วอย่าง น, นี้นก็จะช่วยให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น ก็บางอย่างนี่ถ้าเราไม่เคยเจอเลยบางทีกงงเป็นไก่ตาแตกอะไรแต่ถ้าเคยจะยินได้ฟังไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วพอถึงจุดนี้เราก็จะรู้ว่ามีเป็นปัญหาแล้วเราจะแก้อย่างไรการมีครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วถึงมีคุณประโยชน์มาเพราะการปฏิบัติของเราทุกขั้นตอนเนี้มันจะมีจุดที่เป็นปัญหาอยู่ทุกจุดทานจะเป็นปัญหา มีท่ามีจุดที่เป็นปัญหาสืงอจะมีจุดที่เป็นปัญหาสมาธิส่วนปัญญาส่นนั้น ม, มีทุกขัน้นท่านมีผู้ที่ปฏิบัติผ่านมาแนละ้วนี่ท่านจะคอยเตือนไว้ล่วงหน้าก่อนมาถึงตรงนี้ระวังนะจะมีโจรกลุ่มนี้รอยอยู่นะจะมาทางขวาเนะี่ยพวกนี้จะมาทางซ้ายอนะไรคอยเตือนตัวการฟังเทศฟังธรรควบคู่กับการปฏิบัติก็กยังสําคัญอยู จริงหลวงตาท่านบอกว่าการฟังธรรมนี่มาที่หนึ่งการปฏิบัติธรรมนี่มาที่สองเพราะถ้าปฏิบัติแบบไม่ลืหูลืมตาเนี่ยมันไปอย่างไม่ได้มันต้องมีปัญญามีต้องมีคนสอนก่อนว่าต้องทําอะไรตรงไหนการฟังธรรมจึงมาที่หนึ่งการปฏิบัติมาที่สองในทางสาคัญอาไรเนี่ย ในยนไดฟังในเรื่องที่ไม่ได้ยินไดฟังนะไม่ได้เลยเพราะก็มีพีดีอันนี้สองสองแปดอาจารถามอีกข้อหนึ่งค่อก็สงสัยคือเขาไปที่วัดเิเริ่มปฏิบัติใหม่นะคะทีนี้ที่เดินจโกงเนี่ยต้องจุดเทียน พอจิตเพียรครานี้ก็จะมีช่ว ง, ง น, งน้ก็ ะ, ะ, กะเนาไปนน้ก็ันวตายขอเราพเพราะเราอย่างี้ะ้เกช่วงนั้นเราก็<ม>เราก็นั่งนั่งในจุติไปก่อมได้ถ้าเรามีความกัวงวลกับเรื่องเรื่อง่องแมงเมาา่าตาแล้วก็เข้าไปนั่งในนั่งสมที่ในจิติช่วงนั้นก็วิ่งไปก่อนเพราะแมงเม่ามันไม่ออกมาตลอดปีหร พอดีเป็นช so ่วงฝนตกแล้มันจะอ่อนๆกอฝนตกหยุดไปสักสองสวันมันก็จะไม่มีถ้ามันเป็นปัญหาตอนนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไปก่อนแทนที่จะเดินเดหรือจะเดินในที่เมื่ดก็ได้ดับเทียนไปเลยแล้วก็ปร่งปรงไปเลยงูก็งูตายก็ตายคุณต้องปฏิบัติหม่เที่จะกลวอยู่นะถ้าอย่างนั้นถ้ากลัวก็สับเข้าไปนั่งในกุฏิก่อนก็ได้๋ยวขึ้นไปเปิดไป มันไม่ได้เป็นไป ต, ตอลอดหรอกพวกแมงเหล า, านี่มันก็เป็นในช่วงเวลาของมันมันจะออกมาช่วงตอนที่ฝนตกหน่อยหวันสองวันแล้นมันก็หายไปไครัก เป็นอีกโซนอีกหนึ่งที่ว่าคือต้องเดินให้ได้ตั้งแต่จะเดินแล้วเนี่ยก็เดินในที่เว้นแล้วก็ตรงอันนี้จังเวลาเกิดมาแล้วลงตายเป็นธรรมดาไม่กลัวที่เขที่เขากลัวยอมตายเลยยังไงก็ลงตายถ้าตายแบบนี้แล้วคุ้มค่าจะมีดวงตาเห็นธรรมถ้าบางบางรูปยอมให้เสือกับตายเลยแต่ตายในปากเสือแต่ใจหลุดพ้นไปเลย ใจปล่อยวางร่างกายเนยที่เราทุกข์ที่เรากลัวกันเพราะเราไปหลงยึดติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเพราะเรายอมตายปั๊บแล้วก็ตัดไปเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราติดมันก็มันก็ปล่อยวางร่างกายมันก็หายทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายจะตายเมื่อไหร่หลังจากนั้นไม่เดือดร้อนเนี่ยเราดวงได้ของเดียวนี้สบายแล้ มีอีกข้อเลยนะคะหลายที่เราฟังจำฟังธรรของครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยทำไมมัความสึกมันมีกำลังที่ต่อสู้กับปีเรียงขอบเหมือนยุดแค่เอื้อมแค่เอื้อมก็พลังกลับไปบ้านมันเหมือนมีคนลคนเลยนะก็พลังพลังทำเวลาทําล้วออกมาแล้วเข้ามาในใจเรามันก็ทําให้เกิดพลังขึ้นมาเพีงแต่ว่ามันเป็นเหมือนควันไฟมันผ่านมาผ่านเข้ามาแล้วมันก็จางหายไปก็เราอยากจะให้มีพลังเราก็ต้อง คิดอยู่เรื่อยๆถึงที่เราได้ฟังในวันนี้เอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆจําได้ไหมบ้างที่พูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วเอมาทบทวนอยู่คิดถึงดูการดูมันก็เป็นการเป็นการรักษาพลังให้บังอย่างค อ, อยู่ไปอาจจะไม่ได้รอดแต่ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ถ้าเราไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ทับนี้หมดเลยหายไปหมด เหมือนการการฟังธรรมเสร็จแล้วเราต้องอย่างถ้าเราเป็นทาสเราอยู่อยู่ในวัดใช่ไหมพอฟังเสร็จธรรมเสร็จแล้วเราก็แยากกันไปเดินชมโคมต่อไปนั่งสามสาธิต่อแล้วก็มารอบทนวนให้ควรแต่เรื่องที่เราจะยินได้ฟังกันมันก็ทําให้เรามีกํลาลังเดินสมาเดิ น, น, นในควมได้ทั้งคืนเลยมันคืเดินไปเพลิดเพลินใจกับเรื่องที่เราเราทนที่เราได้อยู่เลยแล้าการออกวนนี่มีเป็นยอดสูงสุดเลยนะเจ้าค่ะใช่ต้องต้องอย่างนั้นน่ยถ้าเรื่องการปฏิบัติธรรมมันต้องวิเวกต้องอยู่คนเดียว ถ้าพอออกจานี้ไปแล้วไปจั บ, จบกลุ่มกันปั๊บนี่มันจะเป็นเรื่องนี้อื่นไปละเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องอะไรกันหมดเลจะไม่มีเรื่องธรรมะอยู่อยู่แล้วนันการคบคนก็เป็นเป็นเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันถ้าคบคนที่เขาดีกับเราเก่งกับเราเขาก็จะชุดเราถ้าคบคนที่เขาด้อยกว่าเราเขาก็จะชุดเราลงจุดเราถอยหลัง พระพุทธเจ้าตอนว่าถ้าเราหาคนที่ฉลาดกับเราเก่งกับเราครบไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนหรือแม้จะไม่ได้กําไรก็ไม่ขาดทุนการเลอกคบคนก็สำคัญจุดที่เขาสงสารไม่ได้แล้วตัวใครตัวมันไม่สงสารกันทาไม <c oughs> ต้องเข้าจมน้ําเราจะไปจมนกว่าเขาหรือ <c oughs> ใช่ไหมแล้วเราก็ช่วยเขาไม่ได้ก็เราก็ยังช่วยตัวเราเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยตัวเราเองก่อนเราก็ต้องหัดว่าน้ําให้เป็นก่อน เวลาว่ายน้ำเป็นแล้วที่เราจะช่วยใครก็ช่วยได้ช่วยสอนให้เขาว่ายน้ําได้แต่ในเรื่องต้นนี้เราต้องสอนตัวเราเองก่อนพระพุทธเจ้าหกปีไม่สอนใครเลยนะไม่ยุ่งกับใครเลยหาแต่วิธีที่จะช่วยให้ตนเองหลุดพ้นเท่านั้นเองพอหลุดพ้นแล้วอีกสี่สิบห้าปีที่ช่วยคนอื่นตลอดไม่เคยคิดถึงตัวเองเลย <S <S ตามอย่างนี้ดีกว่าเอาตามแบบพระพุทธเจ้าช่วยเขาแล้วก็จมด้วยกันทั้งคู่ แต่ที่นี่หนูอยากรู้ความเป็ของพระโพธิสัตว์ท่านคิดอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะเราก็ไม่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็คิดอย่างนั้นท่านก็ออกบวชแล้วท่านก็อยู่คนเดียวท่านก็สลายหาใจการดุจพ้นก่อน เมื่ท่านหลุดพ้นแล้วท่านถึงค่อยไปช่วยคนอื่นนี่แหละโพธิจักรแท้เป็นอย่างนี้ถ้าโพธิจัก์เทียมก็ต้องไปช่วยคนอื่นก่อนอย่างที่เขาคิดแต่ น, นี่เป็นของเที ย, ยมใช่ไหะไม่ใช่ของแท้แล้วถ้าของแท้แล้วก็ต้องต้องช่วยตัวเองก่อนแต่กิเลสมันหลอกให้คิดว่าเป็นเป็นความคิดของโพธิแต่ความจริงมันเป็นความคิดของกิเลยทางมีอยู่การหลุดพ้น ก, ก็อยู่ใกล้ตรงนี้ทามันไม่ทํากันกลับแก็จะต้องไปช่วยคนอื่นก่อน เราไปเวียนว่า้ตายเกิดอีกสองพันกลับอย่างนี้เพื่อจะได้เป็นบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ช่วยคนเป็นจํานวนมากมามันมันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่คิดไม่ถูกอะในเมื่ อ, อยังหนูปู่ม่านนั่นก็เคยคิดอย่างนี้ท่านเคยปรารถนาพุทธภุมท่านก็เลยช่วยคนอื่นตลอดเวลาไม่คิดปีกปีกวิเวทตอนหลังท่านเปลี่ยนใจว่าช่วยมาถ้าเป็นแทาตายใจเราก็เหมือนเดิมท่านก็เลยปีกวิเวกไปอยู่เชียงใหม่องเดียว นัานมหท่านเบรรลุที่เชียงใหม่แต่ก่อนหน้านั้นท่านไม่ไม่บรรลุนะ่นท่านอยู่ถึงอายุหกสิบแล้วถึงจะปีกเรื่อยไปคอยช่วยคนเดิมอยู่ถึงาอายุหกสิบระหว่างหกสิบถึงเจ็สิบนี้ท่านไปอยู่เชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นก็ท่านก็มาตรดมาตรดที่สกลนครที่อีสานอีกสิบปีแล้วนะท่านก็ไม่ผานแ แต่ก่อนหน้านั้นอายุ20ถึง60นี่ท่านนอ่มูวแต่ช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาสอนคนนั้นสอนคนนี้แต่ตัวเองยังไม่ไม่บรรลุหยุดผลเพราะเป็นห่วงเป็นใ่คนนั้นคนนี้กระจายมนะนั่นแหเป็นกิเลสเป็นนิวมเป็นตัวคอยฉุดกคอยกัดขวางไม่ให้บรรลุมรรคผลที่ผ่าน โดยทั้งพระว่าการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่กว่าการบรษย์เป็นพระอาหารพระอาหารเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเนรถคันเล็กๆช่วยเหลือคนได้ไม่กี่คนแต่พราะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นเหมือนกับรถบรรทุกคันใหญ่ๆที่ช่วยเหลือคนได้มากแล้วการจะเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ละครั้งนี่มันน้อยมากแล้วเวลาหาคนมากช่วมีพระอาหารสักแสนรูปช่วยกันจะดีกว่า พระพุทธเจ้าพอท่านเป็นนล้วท่านก็สามารถสริตธาตุเป็นแสนได้ก็ช่วยหพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ได้ถ้าทุกวันนี้ไม่มีธาตุท่านกูบาลยานแล้วพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนกันถ้าท่านคิดเหมือนพวกเราทุกคนจะไปเป็น ท, ทนัุกษิษฐ์กันทั้งหมดก็ไม่มีไม่มีใครสอนธรรมะให้มมพวกเราในในวันนี้กาะจายเลนตัด ตัดได้แล้วเรื่องโพธิษักรเรื่องพุพธภูมิเอาสาวกัคภูมินี่แหละแล <c oughs> ้วอยากจะไปเรียนอีกร้อยแล่ออีกแสนรอเขาว่าไม่มาเลย